คีระโสมหปุญโยอาชาปารามุปาคโตอนนตรโรมหาสโคซาชาปารังนา ม, ามิตังราตมิชาเรหิโชตันโตมจรินเดมหาสเรพระวิราชาวโยนาทโท สันทานาหังนมามิตังหาตาวิชฌกุณาธโรราชายตนาปาเถเปฮเวนิสีธิรคิยาสันทานาหังนมามิตังโตมะเรณะอริหันตวะมีกาทายังมหาวันัง ตเศตวาอุปการขันชีมหาชินังนมามมิตังพระจอมุนีผู้ประเสริฐมีรัสมีก้าวคือพระฉับพันรังสีแผ่ซ่านมีบุญญาพินิหารนั้นยิ่งใหญ่สเสด็จไปสู่ควงไม้อาชะปารณิโคตข้าพเจ้าขอนอบน้อมกราบไหว้พระจอมุนีพระองค์นั้นพร้อมทั้งควงไม้อะชะปารณิโคดนั้น พระนาถาเจ้าพระองค์ใดทรงรุ่งเรืองอยู่ด้วยไข่พระรัศมีกล่าวคือพระชับพันรังสีสวยมุติสุขใกล้สระน้ําใหญ่มุจจรินดุดพระอาทิตย์ยอมนักศักดิ์ข้าพระเจ้าขอนอบน้อมกราบไหว้พระนาถาเจ้าพระองค์นั้นพร้อมด้วยสระใหญ่มุจจรินนั้นพระบระมาศาสดาทรงกําจัดอวิชชาคือความมืดบอด ทรงพระคุณอันหาที่สุดมิได้ประทับนั่งด้วยพุทธสริณควงไม้ราชายัตนะก่าวคือไม้เกศข้าพเจ้าขอนอบน้อมกราบไหว้พระบรมศาสดาพระองค์นั้นพร้อมณสถานที่นั้นพระชินเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ทรงกำจัดศัตรูคือกิเลสได้หอกคือพยานยางอุปการชีวกให้ชื่นชมแล้วสเสด็จสู่ป่าอิสิปตนาบรกายวันอันเป็นที่ให้อภัยแก่เนื้อ ข้าพเจ้าขอนอบน้อมกราบไหว้พระชินเจ้าพระองค์นั้นด้วยความเคารพเอื้อเฟื้อขอเคารพพระธรรมด้วยพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายด้วยขอความเจริญในธรรมยังมีแด่คณะพระภิกษุทั้งหลายนะครับในวันนี้เป็นวันที่สองแห่งการที่มาศึกษาในเรื่องของสัมภารวิบาที่บอกว่ากว่าจะเป็นพระพุทธเจ้า ก็มาพูดถึงในเรื่องของการบำเพ็ญบารมีมีฐานบรารมีศรษบรารมีเนคัมมะปัญญาวิรยิยะขันติศรัจธาทิฏฐานเมตตาและเวขาบรารมีเป็นต้นเมื่อวานนี้ได้พูดถึงในเรื่องตอนที่ว่าโดยย่อนีไม่ได้พูดโดยทั้งหมดพูดถึงในเรื่องของการบำเพ็ญบรารมีเริ่มแรกท่ามกลางแล้วก็ที่สุดก็มาพูดถึงในเรื่องของธรรมสโมโอทาน เริ่มตั้งแต่การได้รับก่อนที่จะได้รับพุทธบัญญัติเป็นต้นเหล่านี้นั้นในวันนี้ก็จะมาพูดในเรื่องของ <c oughs> ตอนที่ <c oughs> มาเจอพระตีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าจะมาพูดถึงรายละเอียดตรงนี้ให้ฟังแล้วก็จะมาเจารัยเกี่ยวในเรื่องของการบำเพ็ญพระบรารมีของพระมาหาบุรุษของพระพุทธเจ้านี่แหละถ้าบอกว่า ในการพารณนาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยถ้าบอกท่านทั้งหลายจงกล่าวคุณม่ใช่น้อยของพระมหาบุรุษในโลกนี้บุคคลที่จะเปรียบเทียบและยิ่งใหญ่กว่ามหาบุรุษนั้นย่อมไม่มีพระมหาบุรุษนั้นผู้เป็นเช่นนั้นให้คุณอะไรไว้พระมหาบุรุษนั้นได้อะไรอะไรเป็นพิเศษได้ได้กระทําถ้ามามองลักษณะอย่างนี้ก็จะเห็นได้ชัดว่าท่านทั้งหลาย คุณของพระมหาบุรุษที่เกิดขึ้นแล้วในโลกที่ท่านบําเพ็ญพระบารมีมีทานบา ร, รมีศีลบา ร, รมีเนคขม่าเป็นต้นเหล่าเนี้ยการที่บําเพ็ญบา ร, รมีนั้นท่านจัดเรื่องเหตุไว้สามอย่างนะเขาเรียกว่านิทานคําว่านิทานเนี่ยโดยส่วนใหญ่เราจะไปกล่าวกันเป็นเรื่องราวที่ไม่จริงแต่คำว่านิทานในศัพ์นี้ก็แปลว่าเหตุ เขตก็คือว่ามีคําว่าทูเรนิทานอวิทูเรนิทานแล้วก็สันติเกณิทานใช่ไหมเวลาเราศึกษาพุทธประวัติเนี่ยจะได้ยินสาคำามความหมายเนี่ยคำว่าทูเรนิทานเขตก็คือถ้อยคําที่เล่าเรื่องตั้งแต่พระมหาบุรุษบางทีท่านก็ใช้คําว่าพระมหาสัตว์ก็แปลว่าสัตว์ที่ยิ่งใหญ่ตั้งแต่ปรารถนาอย่างจริงจังณนะบาตมูลแห่ง พระพุทธเจ้าพระนามวทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าจนถึงจุติจากอัตภาพนี้ว่าเป็นพระเวสสันดรแล้วก็มาเกิดไปเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตใช่ไหมครับนั่นก็เรียกว่าทุเรนิทานส่วนอวิทุเรนิทานก็ถ้อยคําหรือเหตุการณ์ที่เล่าเรื่องตั้งแต่จุติคือตายจากสวรรค์ชั้นดุสิตจนถึงมาบรรลุพระสัพพยุตยานที่ตายต้นควงไม้โพธิพุทธได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า อันนี้ก็คือเล่าเรื่องตั้งแต่หลังจากลงมาจากชั้นดุสิตแล้วก็มาตัสรู้เป็นพระเจ้าในช่วงนี้ทั้งหมดเขาเรียกว่าอวิทูเรนิธานก็คือเหตุการณ์ในช่วงนี้ส่วนประการที่สามก็คือสันติเกณนิทานก็ปรากฏอยู่ในที่ต่างๆที่พระองค์ประทับอยู่ น, นี่นับตั้งแต่ตัสรู้ไปเลยจนถึงปาริณีพานนี้เป็นต้นทีนี้เรื่องที่ขึ้นอยู่วันนี้พูดถึงในเรื่องของสุเมทาบันดิต ในการที่สุดเนี่ยแห่งเสียสงไขอีกแสนมหากัาบเนี่ยก็มีพระนครที่ชื่อว่าอมอรวดีหรืออมราวดีเนี่ยและอีกชื่อหนึ่งเรียกว่าอมระอมระเมืองเนี้ที่กล่าวไว้ในกำบีพุทธวงศ์กล่าวไว้อย่างนี้ว่าเสียสงไขยิ่งด้วยแสนมหากัาบพระนครนี้ชื่อว่า อ, อมมร์เนี่ยเป็นนครที่สวยงามน่าดูมาก แล้วก็สมบูรณ์ด้วยเสียงสิประการไม่ว่างเว้นก็หมายความว่าเมืองนี้เป็นเมืองที่เจริญรุ่งเรืองมากมีทั้งเสียงช้างเสียงม้าเสียงรถเสียงกรองเสียงตะโพนเสียงพินเสียงขับร้องเสียงสังเสียงกังสะ دان เสียงการเชื้อเชิญในการมาดื่มมากินมาเคี่ยวเป็นต้นก็คือเหมือนกันในกรุงเทพเรานี่แหละก็ทั้งกลางวันกลางคืนไม่หลับไหลอย่างนี้เป็นต้น สรุปแล้ในยุคนั้นก็เป็นยุคที่มีความเจริญรุ่งเรืองมากพระนครนั้นก็ประดับด้วยเสียงศิลปการล่างๆนะแล้วทีนี้จะพูดมูลเหตุมูลเหตุว่าบการที่ความคิดของสุมเมธดาบดเนี่ยก่อนที่ท่านจะออกบวชเป็นดาบดหรือออกบวชเป็นฤาษีเนะี่ยท่านคิดยังไงแล้วก็ได้มาเปรียบเทียบว่าระหว่างความคิดของเรากับความคิดของดาบดเนี่ยเหมือนกันหรือต่างกันยังไงใช่ไหมลองมาดูวิธีคิดของท่าน เออท่านคิดยังไงท่านจึงออกบวชและเราคิดยังไงเราถึงออกบวชเราจะได้เห็นความต่างกันนะระหว่างความคิดของสมเมธาดาบวชที่ท่านเป็นพระโพธิสัตว์กับความคิดของเราเนี่ยว่าเหมือนกันหรือต่างกันยังไงเนี่ยนะท่านคิดอย่างนี้ท่านคิดว่าท่านเตือนตัวเองนะบอกบัณฑิตนี่แน่บัณฑิตท่านคิดพูดถึงตัวเองว่าคําว่าบัณฑิตนี่แปลว่าเป็นผู้รู้ใช่ไหม การถือปฏิสนธิในพบใหม่ก็คือการเกิดในพบใหม่ในเป็นทุกข์การแตกาการแตกดับแห่งสรีละในสถานที่ที่เกิดแล้วก็เป็นความทุกข์เช่นกันก็คือความเกิดก็เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์นั่นแหละและเรามีความเกิดเป็นธรรมดามีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดาการที่เราเป็นผู้จะไปแสวงหา ความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาเนี่ยมันไม่ประเสรตเลยอยากกันนั้นเลยเราควรจะแสวงหาอมตะนิพพานที่ไม่มีความเกิดไม่มีความแก่ไม่มีความเจ็บไม่มีความตายไม่มีความทุกข์เป็นความสงบงบสุขเป็นความเยือกเย็นทางสายเดียวที่จะพ้นจากภบนําไปสู่พระนิพพานได้ต้องมีอย่างแน่นอนนี่ท่านคิดอย่างนี้นะก่อนที่ท่านจะบวชเออในขณะที่พวกเราจะบวชเราคิดแบบนี้ไหมครับ มีความคิดแบบนี้อยู่ในใจบ้างไหมว่าความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความเจ็บไข้เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ฉะนั้นการที่เราจะไปสแสวงหาเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยไม่ใช่คนมีปัญญาเลยอยากก่างนั้นเลยเราจะสแสวงหาความไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเราจะเข้าถึงความสุขได้ฉะนั้นทางที่ดําเนินไปสู่ความทุกข์มีก็จะต้องมีทางที่ดําเนินไปสู่ความสุขโดยเฉพาะบรมสุขจะต้องมีอย่างแน่นอนพอคิดอย่างนี้แล้วเราควรจะบวชดีกว่าการคิดอย่างนี้เคยคิดไหมครับ ก่อนบวชได้คิดแบบนี้ไหมทีนี้ในเรื่องนี้พระพุทธเจา้าเป็นผู้เล่าเองนะครับพระพุทธเจา้าได้เล่า ว, ว่าในครั้งนั้นนะสุมเมธบัณฑิตเนี่ยท่านก็เล่าตัวท่านเองตอนที่ท่านเกิดเป็นสุมเมธาบัณฑิตท่านเล่าอาดีตท่านฉะนั้นคำคำนี้ต้องไม่ต้องเป็นคําจริงที่แน่นอนพระพุทธเจา้าเป็นคนตัดเป็นผู้ตรัสเองท่านบอกว่าเราเข้าไปหาที่หลีกเล้นแล้วก็นั่งอยู่คิดว่าขึ้นชื่อว่าการเกิดใหม่นี่เป็นทุกข์ การแตกดับแห่งสตรีละก็เป็นทุกข์เรามีความเกิดเป็นธรรมดามีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาและก็มีความตายเป็นธรรมดาเราจะแสวงหาพระพานที่ไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเป็นแดนเกษมท่านคิดท่านอย่างเนี้ยเออการที่คิดในลักษณะอย่างเนี้ยทางที่ดีเราควรเป็นผู้ไม่มีความเยื่อใยไม่มีความต้องการละทิ้งกายที่เปื่อยเน่านี้ซึ่งเต็มไปด้วยซากศพเด้อท่านมองอย่างนั้นนะ ในกระสกายของเราของท่านเห็นว่าเป็นเต็มไปด้วยซากศพเอ๊ะจริงๆในกายเนี่ยเต็มไปด้วยซากศพจริงไหมมีอะไรบ้างซากศพอะไรบ้างนั้นส่วนหนึ่งใช่ไหมนั้นไม่ว่าจะสิ่งที่เรากินก็ไปเนี่ยาราซากสัตว์ทั้งหลายที่กินก็ไปก็เลยเต็มไปด้วยซากศพแล้วไม่ใช่แค่นั้นในกระเรวละเนี่ยอันยาวานาคืบเนี่ยมันยังมีหมู่หนอน กลุ่มพวกพญาต์ทั้งหลา ย, ยากลยุ่ม ห, หมู่หนอนทั้งหลายเนี่ยท่านในพระตรีปิฎกในคําสอนก็ว่า80ดสิตระกูลอัตกถาขย า, ายว่า8ปด0 0ื่ตระกูลเนี่ยก็คือในบรรดาหมู่หนอนหมู่สัตว์ที่มีชีวิตทั้งหลายเนี่ยมันอยู่ในกรารัชกายเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะบรรดาหมู่หนอนอเหล่านั้นกลุ่มพญาต์เหล่านั้นเต็มไปหมดในการัชกายเนี่มันเป็นที่สื่อพันของมันด้วยเป็นที่เกิดเป็นที่แก่เป็นที่เจ็บเป็นที่ตายของมันด้วย เป็นที่สืบพันธุ์มันเป็นที่การเกิดของมันเป็นโรงพยาบาลเป็นสถานที่ทํามาห้กินของมันเต็มไปหมดก็เหมือนประเทศประเทศหนึ่งเหมือนกับโรคใบนี้ทั้งหมดแม้ในกระราชการนี้ก็เต็มไปด้วยหมู่ ส, สัตว์ที่เต็มไปหมดเออเป็นอย่างนี้เนี่ยถ้าพวกเราเนี่ยตายนะครับผมลงไปทดลองดูแล้วเวลามนุษย์ตายเนี่ยถ้าอยากจะรู้ว่ามันมีหมู่สัตว์เยอะจริงๆริงไหมเนี่ยครับผมเคยเห็นเอาคนตายในยุค ก, ก่อนเนี่ย ในยกุก่อนเนี่ยเขายังไม่ได้ฉีดยาเนี่ยพอตายเบียเสร็จพวกคนใช้พลาสติกเนี่ยซีนอย่างดีเลยนะแล้วก็ปิดไว้ไม่ให้อะไรเข้าไปได้เลยเนี่ยผมอยากจะทดลองว่ามันมีจริงๆริงไหมอย่างคําสอนของพระเจ้าพอสักเจวันไปเปิดดูมันนอนเต็มหมดเลยครับหนอนมันออกมาตามหูบ้างตามจมูกบ้างตามปากบ้างตามทวารหนักทวารเบาเต็มไปหมดเต็มไปหมดมเป็นหลักเป็นแสน มันไหลออกมาเต็มไปหมดตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยพอห้าหวันมันเริ่มกินแล้วมันก็ทลักออกมาเต็มเนี่ยมันมาจากไหนมันไม่ได้มาจากข้างนอกแน่นอ น, นก็อยู่ในกัยาจการนี้แหละฉะนั้นเราต้องมาเรียนดูมาคอยทนุบำรุงมันอยู่อย่างเงี้ยเรื่องเหล่านี้พระพุทธศาสนาเห็นพระพุทธเจ้าท่านพูดเองนะบอกว่าทางที่ดีเราควรเป็นผู้ไม่มีความเยื่อใหญ่ไม่มีความต้องการละทิ้งร่างกายอันเป็นของเน่าเปื่อยเนี้ยซึ่งเต็มไปด้วยซากศพ เป็นนั้นมากเสียแล้วก็ดําเนินไปทางนั้นจะเป็นมีอยู่อย่างแน่นอนทางนั้นเป็นเหตุเราจะแสวงหาทางนั้นเพื่อความหลุดพ้นจากเครื่องผูกคือการมาพบรูปพบและรูปพทางในที่นั้นก็คือท่านแสวงหาอะไรรู้ไหมแสวงหามัชิมาปฏิปทาแสวงหาทางดําเนินที่จะนําพากระแสชีวิตไปสู่ความพ้นทุกข์ <c oughs> ท่านคิดอย่างนี้นะเหมือนอย่างว่าท่านบอกว่าธรรมดาสุขที่เป็นปฏิบักษ์ต่อทุกข์มีอยู่ในโลกแม้ชั้นใด เมื่อความเกิดมีอยู่แม้ความไม่เกิดอันเป็นปฏิปักษ์ต่อความเกิดก็ต้องมีฉันนั้นและเหมือนเมื่อความร้อนมีอยู่แม้ความเย็นที่จะระงับความร้อนนั้นก็ต้องมีอยู่แม้ชั้นใดพระนิพพา น, พานซึ่งเป็นสภาพที่ดับไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟคือโมหะเนี่ยก็ต้องมีฉันนั้นเหมือนกันนี่ท่านคิดของท่านแบบนี้ธรรมดาโทษเนี่ยนะ ธรรมดาสิ่งที่ดีงามที่ไม่มีโทษที่เป็นปฏิปักษ์ต่อบาปประรมอันเลวเนี่ยมีอยู่แม้ชั้นใดเมื่อชาติคือความเกิดมีอยู่แม้พระนิพพานที่เป็นสภาวะที่ดับชาติคือความเกิดก็ย่อมมีอยู่เนี่ยทีนี้เมื่อทุกมีอยู่ขึ้นชื่อว่าสุขก็ต้องมีแม้ชั้นใดเมื่อความเกิดมีอยู่แม้ความไม่เกิดก็ควรปรารถนาฉันนั้นเมื่อความร้อนมีอยู่ความเย็นก็ต้องมีแม้ชั้นใด เมื่อไฟคือราคะความกำหนัดไฟคือโทสะความโกรธไฟคือโมหะความมืดบอดนี้อยู่พระนิพพานคือสภาพที่ดับไฟคือราคะโทสะโมหะก็ควรหน้าปรารถนาเชนั้นเมื่ออกุศลธรรมลามกคือกายโยชจริตวจีทยจริญมโนโยจริญมีอยู่แม้กุศลและธรรมคือความไม่โลภความไม่โกรธแล้วก็ปัญญาตลอดถึงกายโยชนจริตวจีโยชน์เจริตมโนโยชจริญก็ต้องมี ความเกิดมีอยู่แม้พระนิพพานคือความไม่เกิดก็ควรปรากธนาฉันนั้นเนี่ยท่านคิดอย่างนี้นี่นในข้อที่สองในข้อที่สามท่านคิดบอกว่าคนที่จมอยู่ในกองอุจจาร ะ, ะนะครับเห็นสะใหญ่ที่ดาราดาไปด้วยดอกบัวห้าสีแม้แต่ไกลก็ควรที่จะสแสวงหาสะนั้นด้วยความคิดว่าเราจะไปที่สะนั้นได้ด้วยทันใหนหนอการไม่ไปหาสะน้ำนั้นน่ะ ไม่ได้เป็นความผิดของสะนะแต่เป็นความผิดของคนผู้นั้นเท่านั้นแม้ชันใดเมื่อสะใหญ่คือพระนิพพานมีอยู่ซึ่งเป็นที่ชำระล้างมณทินคือราคะมณทินคือโทสะมณทินคือโมหะการไม่ไปแสวงหาสะนั้นไม่ใช่ความผิดของสะใหญ่คืออมาตะพระนิพพานแต่เป็นความผิดของผู้นั้นเท่านั้นฉันนั้นเหมือนกันจริงไม่จริงถามว่า ถ้าตัวเราเปื้อนสกรปรกตกอยู่ในหลมุมคูดหลุมอุจจระเต็มเปื้อนไปหมดแต่มันมีสระอยู่ข้างหน้าการที่เราไม่ไปหาสระเพื่อจะชําระล้างของสิ่งสกรปรกออกจากกายเนี่ยมันเป็นความผิดของสระหรือเป็นความผิดของบุคคลนั้นเนี่ยเป็นความผิดของบุคคลนั้นแม้ชั้นใดท่านคิดอย่างนี้สระในที่นั้นหมายถึงพันธิพัณฑการที่เราไม่เข้าไปหาพันธิพัณฑ์เพื่อชําระล้างราคะโทสะโมหะ ให้สะอาดเพราะราคะเหมือนกองอุจจระโทสะเหมือนกองอุจจระโมหะเหมือนกองอุจจระการที่เรามีราคะโทสะโมหะเนี่ยประชมอยู่ในกระแสะชีวิตเหมือนเรากําลังเกลือกกลั้วด้วยราด้วยกองอุจจาระปัสสาวะเต็มไปหมดการที่มีสะใหญ่คือพันนิพานสะน้ําคือความสะอาดบริสุทธิ์หมดจดมีอยู่การที่เราไม่กระเสือกกสนไม่ขวนขวายไปหาสะมันไม่ใช่เป็นความผิดของสะแต่มัเป็นความผิดของบุคคล น, นั้นแม้ชั้นใด เราก็ควรจะคิดอย่างนั้นเพราะงั้นประการที่สี่การที่ผู้ที่ถูกพวกโจรล้อมไว้แล้วเนี่ยคือถูกโจรล้อมไว้พวกโจรเนี่ยนะล้อมไว้แต่มันมีทางหนีมีอยู่การที่เราไม่ขวนขวายในการที่จะหนีหรือหลบออกในทางที่หนีนั้นไม่ใช่ความผิดของทางนะแต่เป็นความผิดของคนคู่นั้นที่ถูกโจรล้อมอยู่แม้ฉันใด การที่ทางดําเนินไปสู่พระนิพพานมีอยู่ไปสู่ความพ้นทุกข์ทางที่จะดําเนินไปสู่ความปลอดภัยนะั้นมีอยู่การที่เราเนี่ยไม่ขนขวายในขณะที่ถูกโจรร้อมไว้เนี่ยการไม่ขวนขวายในการที่หนีไปตามช่องทางนั้นเพื่อเข้าสู่ความเป็นอิสระเสรีภาพไม่ใช่ความผิดของทางแต่เป็นความผิดของบุคคลนั้นบุคคลที่ถูกพยาธิคือโรคภัยแค่เจ็บเบียดเบียนเมื่อหมอที่รักษาความเจ็บป่วย เก็บไข้นั้นมีอยู่หากไม่แสวงหาหมอนั้นให้รักษาความเจ็บป่วยนั้นไม่ได้เป็นความผิดของหมอนะแต่เป็นความผิดของผู้นั้นเท่านั้นแม้ชั้นใดผู้ใดถูกพยาธิคือกิเลสคือราคาโทสะโมหะเบียดเบียนอยู่ไม่แสวงหาอาจารย์ผู้ฉลาดในการระงับกิเลสนั้นนั้นเป็นความผิดของผู้นั้นเท่านั้นไม่ได้เป็นความผิดของอาจารย์ผู้ทํากิเลสให้พินาศฉันนั้นเหมือนกันถามพระพุทธเจ้ามีอยู่ใช่ไหมธรรมะของพระพุทธเจ้าก็มีอยู่ อริยสงสาวกก็มีอยู่การที่เราไม่สแสวงหาครูอาจารย์ทั้งหลายที่จะนำพากระแส ช, ชีวิตของเราให้พ้นจากกิเลสและกองทุกเนี่ยมันไม่ใช่ความผิดของอาจารย์นะเป็นความผิดของพวกเราเองอย่างนี้เป็นต้นทีนี้ในเรื่องนี้พระเจ้าตรัสไว้คนผู้ตกอยู่ในหลุมอุจจาระเห็นสระน้ําเต็มเปี่ยมแล้วไม่ไปหาสระนั้นข้อนั้นไม่ได้เป็นความผิดของสระน้ําชั้นใดเมื่อสระน้ําคือสระอมตะชำระลา้ลางมวลทินกิเลสมีอยู่เขาไม่ไปหาสระนั้นข้อนั้นเป็นความผิด ของของคนนะไม่ใช่เป็นความผิดของศักดไม่ใช่ความผิดของพระนิพพานอย่างนี้เป็นต้นพระเจ้าก็ตรัสในลักษณะอย่างนี้ทีนี้บุคคลผู้ชอบแต่งตัวเนี่ยควรที่จะทิ้งซากศพที่คล้องไว้ที่คอแล้วจึงไปอย่างมีความสุขและสดชื่นชบะสบายแม้ชั้นใดท่านบ อ, อกแม้เราก็ควรจะทิ้งกายอันเน่าเปื่อยนี้แล้วเป็นผู้ไม่มีความอาลัยเข้าไปสู่พระนิพพานนครฉันนั้ น, นท่านคิดท่านดําริแบบนี้ ชายหญิงทั้งหลายถ่ายอุจจาระและปัสสาวะบนพื้นที่อันสกปกแล้วย่อมไม่เก็บอุจจาระและปัสสาวะใส่พกใส่ชายผ้าห่อไปต่างก็รังเกียจไม่มีความอะไรเลยแล้วทิ้งแล้วก็เดินไปเสียแม้ชั้นใดแม้ตัวเราก็ควรจะเป็นผู้ไม่มีความอะไรทิ้งกายอันเน่าเปื่อยนิเสียเข้าไปสู่พันิพานชั้นนั้นโอ้โหท่านมองขนาดนั้นเลยเนะ มองว่ากระสะกายเหมือนก้อนอุจจาระใครเห็นขนาดนั้นนีอยังเห็นว่าเนี่ยขันห้ามันเหมือนกับก้อนอุจจาระก้อนหนึ่งเท่านั้นฉะนั้นเราจะไม่อะไรอววรมันอีกต่อไปแล้วเราถ่ายเสร็จแล้วเราก็จะทิ้งเราจะไปสู่พระที่พานอันเป็นที่เกษมมันที่ปลอดภัยอีกอย่างก็คือนายเรือนอะผู้มีความไม่อะไรทิ้งเรือลําเก่าที่คร่าค่าแล้วเนี่ยแม้ตัวเราก็จะละกายนี้ไปเสีย ที่เป็นของไม่สะอาดมันมีมันมีปากแผลอยู่เก้าช่องใช่หมหนึ่งตาสองเป็นที่ไหลออกของขี้ตานะหูสองขี่หูก็ไหลเยิ้มออกตลอดเวลาจมูกอีกสองเป็นที่ไหลออกของน้ำมูกปากก็เป็นที่ไหลออกสเสลต้น้ําลายทวันหนักะวารเบาก็เป็นที่ไหลออกของอุจจาระและปัสสาวะเรือเนี้ยมันมีมันรั่วหมดแล้วแล้วก็กายนี้มันไม่สะอาดมันมีแผลเก้าแผลมีช่องเก้าช่อง ที่ไหลออกของสิ่งที่ไม่สะอาดสกรปรกอยู่เนืองนิดเราก็จะทิ้งมันเซีดไปเสียเพื่อเข้าสู่พระนิพพานฉะนั้นเหมือนกันเนี่ยเมื่อเสียสงขา ย, ยิ่งโดยแสนมหากราบท่านคิดแบบเนี้ยท่านคิดแบบเนี้ยท่านคิดอย่างเนี้ยท่านถึงออกบวชคนที่คิดในลักษณะอย่างนี้จะบำเพ็ญเนคขมะได้อย่างรุนแรงเลยนะคนผู้ถือรัตนาน า, น า, น า, นาชนิดเดินทางไปพร้อมกับโจรก็ละทิ้งพวกโจรเหล่านั้นไปเสียพวกกลัวสูญเสียรัตนะของตนแล้วก็ หาทางที่ปลอดภัยแม้ชั้นใดร่างกายก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกระโจนนี่แหละป้นลัตนะ ก, าาก็หรืออรยมรรคอริยผลเป็นต้นถ้าเรามองอย่างนี้นะว่าถ้าเราตราบใดเรายังประคับประคองการาชกายนี้อยู่ประคับประคองขันห้าอยู่เราก็จะถูกป้นถูกป้นกุศล น, นะครับเราจะทําศีลกุศลสมาธิกุศลปัญญากุศลซึ่งเป็นรัตนะเดี๋ยวก็ถูกราคาโทสะโมหะซึ่งเป็นโจรมาป้นไปอยู่ตลอดเวลาสังเกตดูทีเราไม่เคยรักษาศีลสมาธิปัญญารักษาศรัทธาวุรยิยสติสมาธิปัญญาได้เลย ในสนจริงเพราะอะไรเพราะเรายังคบคบกับโจรคือราคาโทสาโมหะคบกับกายนี้อยู่ตราบใดเรายังพเนาพนองมันอยู่เดี๋ยวเราก็เสียรัตนคือกุศลเดี๋ยวก็ถูกขโมยกุศลไปเรียบร้อยแล้วเราก็เป็นผู้เจ็บปวดเดินไปในสังสารวัฏนี่เป็นต้น อ, อวัยรุ่นเนี่ยทิ้งซากศพที่น่าเกลียดที่ผูกไว้ที่คอแล้วก็ไปอยู่อย่างสุขสบายเสรีรตามลําพังตนแม้ชั้นใดบุคคลก็ควรละทิ้งการัชกายที่เน่าเปื่อยนี้แหละเป็นอันเป็นกองซากศพนานาชนิด เป็นผู้ไม่มีความอะไรไม่มีความต้องการแล้วก็ดำลงชีดไปฉะนั้นชายหญิงทั้งหลายถ่ายจร่าดังที่ได้กล่าวแล้วก็ต้องทิ้งไปเนี่นะเจ้าของทิ้งเรือที่กล่าวคำฆ่าแล้วเนี่ยที่มันไม่ไม่ดีเลยเนี่ยท่านดาริท่านคิดอย่างนี้แล้วเนี่ยสุเมธบัณฑิตคิดที่ประกอบไปด้วยเนกขมมะคําว่าเนกขมมะนี่ยเขแปลว่าการออกบวชแต่โดยสับจริงๆคําว่าเนกขมมะสัพท์นี้แปลว่าการคิดออกจากกราม ในทานกถาศีลกถาสักขะกถากามาทีนวกักถาเนกขมานิสังสกถ า, า, า, า, า, า, าเนี่ยอัจฉริยะใที่มีการวันเนกขมะอัจฉริยะเนี่ยอัจฉริยะใที่น้อมออกจากกามน้อมจะออกจากอากุศลน้อมออกจากทุจริตน้อมออกจากกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตอัตฉยายะยแบบนี้พวกเรามีอยู่ตลอดไหมแข็งแรงไหมเห็นบาปเห็นอกุศลแล้วรู้สึกรังเกียจเนี่ยเป็นไหม ปราราคาความกําหนัดโทสะความโกรธโมหะความมืดบอดมันเกิดขึ้นมาทีไรเราลังเกียจมันมากอยากจะสลัดทิ้งอย่างรวดเร็วเลยเป็นไหมหรือเราแช่แล้วชอบแช่ อ, อยู่กับบาปไหมเช่นชอบโกรธอยู่นานๆนะชอบไหมหรือว่าพอเห็นความโกรธขึ้นมารีบจะสลัดทิ้งอย่างรวดเร็วเลยเป็นแบบนั้นไหมอัจฉริยะใสเขาบุคคลเหล่าเนี้ยเขาเป็นแบบเนี้ยท่านก็พิจารณาดูว่าสลากองท่านก็บอกว่า เมื่อท่านพิจารณาเนคขมะที่ประกอบด้วยการน้อมออกจากกรามน้อมออกจากอกุศลน้อมออกจากทุจริตอย่างนี้แล้วท่านก็สละกองโพค้าสมบัติที่นับไม่ถ้วนในเรือนของตนแก่มหาชนและแก่คนทั้งหลายแล้วเนี่ยท่านก็เลยถวายทานไงก็เลยสละวัตถุก็คือสละกิเลสกรรมแล้วก็วัตถุการมเป็นต้นท่านมาพิจารณาอย่างนี้แล้วเนี่ยเออท่านมาพิจารณาว่าสมบัติเนี่ย สมบัติที่ท่านได้มาเนี่ยนะท่านบอกว่าพวกมนุษย์ต่างมีใจยินดีได้ทรัพย์ท่านมาพิจารณาว่าเออพ่อแม่ปู่ตายายยายของท่านเนี่ยที่ล้มหายตายจากไปแล้วเนี่ยเออบุคคลเหล่านั้นน่ะล้วนไม่ฉลาดเลยท่านคิดงี้นะเออพากันทิ้งทรัพย์นี้ไว้ กับไม่ยอมเอาทรัพย์นี้ติดตัวไปได้ด้วยความโง่ด้วยความไม่ฉลาดโดยแท้เราจะไม่เป็นเหมือนพ่อแม่ปูต่ตายายายแต่เราจะเอานําทรัพย์นี้ติดตนไปในทุกอัตภาพที่เกิดพอคิดอย่างนั้นเบียเศ็จปุ๊บท่านก็ให้คนดูแลทรัพย์เนี่ยนับทรัพย์พอนับเสร็จแล้วท่านก็ให้เปิดประตูทั้งสี่ด้านแล้วก็ไปแจ้งกับพระราชาแล้วก็ป่าประกาศป่าประกาศเบ็ยเศ็ตก็ตีค้องตีระครังเรียกใครอยากได้ทรัพย์ ให้มาแล้วท่านก็แจกแจกอยู่พักหนึ่งท่านเห็นว่าแจกยังไงก็ไม่หมดท่านเลยเปิดประตูบอกใครอยากได้อะไรก็เอาอไปแล้วท่านก็สลอาดทิ้งเลยนี่ออกบวชเลยนี่ครับใจขนาดนั้นเนี่ยเรากล้าไหมแบบนี้กล้าเปิดกุฏิไว้ไหมตามจริงใครอยากได้ i p a พ i p อโเอาไปกล้าไหม ไม่ไหวเลยใช่ไหมเห็นไหมเนะี่ยความที่เป็นผู้ที่ <c oughs> ไม่มีความอะไรอววรจริงๆอ่ะนะพร้อมที่จะสละพร้อมที่จะทิ้งจรนะิงๆเนี่ยเนี่ยลักษณะแบบนี้เขาเรียกว่ามีอัธยาศัยในการที่จะให้เนี่ยเนี่ยลักษณะงี้เ็าเรียกว่าสละโพค่าสมบัติแล้วก็ออกบวชนั้นความคิดคือไม่ใช่อยู่ๆก็บวช ใครชวนให้บวชก็บวชไม่ใช่เลยคิดแล้วคิดอีกวิจัยแยกแยะมีกําลังของโยนิโสมานัิการอย่างแรงเลยในการที่มานัสการในการคิดในการวิจัยแยกแยะนี่เป็นไปในลักษณะอย่างนี้ไม่ใช่ว่าอยู่ๆก็ให้ไม่ใช่เลยคิดแล้วเนี่ยท่านพิจารณาเห็นไหมที่บอกว่าที่พูดถึงเอาเถิดเราควรเป็นผู้ไม่มีความห่วงใ ย, ยเนี่ย ไม่มีความต้องการลาทิ้งร่างกายที่เปื่อยเน่าเตรียมไว้ได้ทราบศพนี้ไปเสียมักนั้นมีอยู่จักมีอย่างนี้เป็นปต้นแล้วท่านก็บอกว่าท่านก็พิจารณาอีกนะบอกว่าเราควรทิ้งข้าวเปลือกที่วางที่ปลูกไว้โดยไม่มีเหลือบริโภคผลไม้ท่านก็คิดบอกว่ า, าเออท่านรอท่านจะไปบวชเนี่ยท่านก็สละทั้งหมดสละบ้านสละเรือนสละทรัพย์ เมื่อท่านออกบวชแล้วเนะ่ะท่านก็ละบนนารรณศาลาด้วยนะท่านบอกว่าตอนที่ท่านออกบวชท่านสละทิ้งท่านถวายมหาทานเสร็จแล้วก็ละวัตถุ ก, กรรมและกิเลสกรรมแล้วก็ออกจากนาครอาศัยอยู่ภูเขาชื่อว่าธรรมิกะในป่าหิมะพานสร้างอาศรมตอนนั้นเนะ่ะมีเทวดามเนตรมิตรศาลาให้ด้วยด้วยกําลังบุญของท่านนั่นแหละ ท่านก็มาพิจารณานะบอกว่าเออการที่อยู่สาราเนี่ยไม่ดีเลยซึ่งมีโทษนะว่ามีโทษ ด, ด้วยมันมีโทษทำให้เราถ้าได้ที่อยู่ดีๆมันก็ติดใช่ั้มมันก็ผูกพันทำให้ใจห่วงกังวลคนอื่นเขาก็อยากได้เป็นต้นเลยเนี้เออท่านพิจารณาอย่างนี้อยากกันนั้นเลยท่านก็ทิ้งลาทิ้งด้วย เราแล้วในที่สุดจริงๆท่านก็ไปพิจารณาถึงการที่ว่าเออการอยู่โคนต้นไม้เนี่ยดีท่านว่าอย่างนั้นนะถ้ามองดูแล้วว่าถามว่าการอยู่ในที่อยู่เนี่ยมีโทษไหมอยู่ในอยู่ในที่อยู่ดีๆมีโทษหรือไม่มีอะตรงนี้ท่านบอกว่าสร้างให้สาเร็จต้องใช้เครื่องปรุงแต่งเครื่องบํารุงเยอะกว่าจะได้แต่ละหลังต้องเสียค่าใช้จ่ายมากนี่นี่ข้อที่หนึ่ง ประการที่2ก็คือว่าพออยู่ไปสักระยะหนึ่งเดี๋ยวเส้นนาสนะชํารุดทรุดโทรมเดี๋ยวก็ต้องซ่อมแซมอีกใช่ไหมเป็นภาระอีกประการที่สามก็คือต้องย้ายออกไปในเวลาที่ไม่สมควรแล้วก็เป็นเหตุทําให้เราไม่สามารถได้ความตั้งมั่นแห่งจิต ด, ด้วยเดี๋ยวก็อะไรอวรนอีกอย่างหนึ่งก็ต้องทนุถนอมกายเพราะกระทบกระทั่งเย็นและร้อนเวลาเราเนี่ยอยู่แต่ที่ดีๆเวลาออกไปอยู่อากาศปกติธรรมดาร่างกายก็บอบบางอีก เป็นเหตุให้การประพฤติปฏิบัติได้ไม่แข็งแรงไม่ตั้งมั่นอีกและมีเหตุที่จะต้องปกปิดคอรหัสเป็นต้นด้วยเช่นเราไปอยู่ในที่ปกปิดเงี้ยเดี๋ยวคนก็นึกว่าเอ๊ะไปปิดประตูไปแอบทําชั่วอะไรหรือเปล่า <c oughs> ใช่ไหมเดี๋ยวคนก็คอรหัสยินทาเป็นต้นเหล่าเนี้เงี้ยท่านพิจารณาอย่างเนี้ยท่านก็เลยอย่าอยู่เลยสละไอ้ เ, อ ι, เสนาสนะนี้เสียแล้วก็เลยไปอยู่โคนไม้ดีกว่า ว่าเราไปอยู่คนไม้มีคุณยังไง ร, รู้ไหมท่านบอกว่ามีความขวนขวายน้อยเออหยุดต้นไม้เลยเราไม่ต้องไปเราไม่ต้องไปขวนขวายอะไรเลยใช่ไหมก็ไม่ต้องไปสร้างไม่ต้องไปอะไรเนี่ยกวาดกวาดกวาดนิดหน่อยเอากดก็แขวนก็อยู่ได้แล้วในทํานองแบบเนี้ยประการต่อมาก็คือให้ความไม่มีโทษอย่างง่ายกว่าการเข้าไปอยู่คนไม้การไปอยู่นคนไม้เนี่ยไม่มีโทษแล้วเกิดความสําคัญคือเห็นความเปลี่ยนแปลง ได้ง่ายเวลาไปอยู่ต้นไม้เนี่ยเดี๋ยวใบไม้มั น, มนก็ร่วงบ้างอะไรบ้างนะมันเห็นอนนี้จังได้ง่ายว่างั้นเถอะแล้วก็ทำชั่วได้ยากเพราะไปอยู่ในที่โลง่ลงๆจะไปแอบทำชั่วก็ไม่ได้มองเห็นไหมแล้วก็ย่อมให้เกิดความละอายด้วยจึงไม่มีความไม่มีที่รับในการที่จะทำบาปนั้นการอ น, นิสงส์การอยู่กับตน้นคนต้นไม้ดีไม่มีคนหวงแหนไ็ <laughs> อยู่ต้นไม้เนี่ยเ เช่นถ้าเราจะเอากดไปกลางอยู่กับต้นไม้เนะี่ยมีใครอยากไปอยู่ไหมมีใครอยากอยากโอขอหน่อยเถอะวะที่ตรงนี้ดีเหลือเกินเนีไม่มีใช่ไหมลักษณะอย่างเงี้ยแล้วก็ได้อยู่ร่วมกับเทวดาเพราว่าที่ต้นไม้ก็จะมีเทวดาด้วยใช่ไมเทวดาก็จะอยู่ร่วมกับเทวดาด้วยแล้วก็ปฏิเสธที่มุงที่บงังตอนนั้นนะ่ะโอ้ได้อยู่ทุต ด, ดงก็อีกมีความสะดวกในการใช้สอย โอ้จะทําทอะไรก็สะดวกในการใช้สอยไม่มีความกำบวงเพราะเสนาสนะคนต้นไม้ในหาได้ง่ายเช่นถ้าต้นไม้ต้นนี้มันไม่สะดวกก็ไปหาอีกต้นหนึ่งว่าอยู่ในป่าต้นไม้มันเยอะเขาเรียกว่าสะดวกมากอะไรอย่างนี้เป็นต้นเมื่อท่านพิจารณาเห็นโทษของบรรณศาลาเห็นคุณของการอยู่ต้นไม้อย่างนี้แล้วท่านก็เลยเข้าไปอยู่ที่โคนต้นไม้เพราะตัดความกังวลได้ท่านสามารถทำฌานอภิญญาได้ภายในเจวันเองเออเนี่ย อย่าแปลกใจว่าทําไมพวกเรามันทําไม่ค่อยได้เพราะอะไรรู้ไหมเรามีกังวลเยอะเรามีปริพเทอมากแค่นั้นลองตัดเครื่องกังวลแบบนี้ดูดีถ้าจะประพฤติปฏิบัติจริงๆนะครับโอกาสพวกเราเนี่ยที่จะทําฌานสมาบัติทำปัญญาทั้งหลายให้เกิดขึ้นมันไม่ได้ยากนะถ้าหากว่าเรากล้าที่จะสละของที่มันสบายๆทิ้งไปเสียกล้าไหมครับ ผมลองทดลองให้พระท่านเดินทุ ด, ดงดูเวลาเดินเดินไปผ่านเนินเดินนะว่าเดินได้สักระยะหนึ่งแเริ่มอลไรเริ่มคนไม่ค่อยคุ้นเคยนะที่จริงเนี่ยเป็นชีวิตที่โปร่งและเบามากใช่ไหมครับชีวิตลองฝึกด้วยนะครับฝึกเป็นชีวิตที่ไม่ค่อยมีอะไรอะ่ะอย่างนี้เป็นตน้นทีนี้ อันที่กล่าวถึงพระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับบอกว่าพระทศพุยานเนี่ยพระธีปังกรสัมม า, ม า, า, าสัมพุทธเจ้าเนี่ยได้อุบัติเกิดขึ้นแล้วในครั้งก็ น, นั้นนะการอุบัติเกิดขึ้นของท่านเนี่ยในครั้งนั้นเมื่อสุเมธาดาบทได้บรรลุอภินญาแล้วได้ฌานสมาบัติเป็นต้นเหล่านี้ในครั้งนั้นพระพุทธเจ้า พระทีปังกรวระทศวรยานเนี่ยพร้อมด้วยพระขีนาศกก็คือพระรหารเนี่ยสี่แสนรูปนะครับแวดล้อมแล้วเสด็จไปที่รัมมนาครตามลําดับคั้นถึงที่ประทับแล้วเนี่ยที่สุทัศนนมหาวิหารชาวเมืองได้ฟังได้ทราบข่าวว่าพระพุทธเจ้าเสด็จมาเนี่ยว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยบรรลุพระสัพพัญญุตยานันยอดเยี่ยมแล้วเนี่ยก็ทรงหมุนกงล้อธรรมจักรอันยอดเยี่ยมให้ดําเนินไปเนี่ย ก็พากันนำของหอมอะไรทั้งหลายเลยนี่เป็นต้นข้าวปลาอาหารไปถวายในวันรุ่งขึ้นชาวรามนครต่างช่วยกันตระเตรียมมหาทานประดับประดาพระนครก็คือชำระทางตกแต่งทางซึ่งเป็นที่เสด็จของพระพุทธเจ้านั่นแหละในที่ที่มีน้ำซาอบ้างที่ดินถล่มทั้งหลายเ ล, ย, ล, ย, ล, ย, ลยนี้เป็นต้นก็พากันถมในตอนนั้นสุมเมธาดาบทเหาะจากอาสมของตอนเองนะเหาะจากที่อยู่ มาตามทางอากาศเบื้องบนเห็นพวกมนุษย์พากันตกแต่งสถานที่เหล่านั้นเน่ยก็เลยสงสยัยก็เลยเอ๊ะมันเกิดเหตุอะไรเกิดขึ้นอย่างนี้ไปต้ น, นก็ลงจากอากาศมายืนที่สมควรเน่ยปกติเวลาเหาะมาแต่ละครั้งในชาวบ้านก็พากันตกแตกตื่นแล้วก็ต้อนรับแต่มาคราวนี้ทําไมทุกคนไม่สนใจตนเองเลยทั้งๆ ท, ที่มีฤทธิ์มีอนุภาพขนาดนเนี้ยนะพอลงไปเนี่ย พระพุทธเจ้าตรัสว่าพวกมนุษย์ตามมีใจยินดีนิมนต์พระตถาคตในเขตแดนปัจจันต์ต่ประเทศนั่นแล้วพากันชําระก็คือแผวถานทางน่ะทางเสด็จดาเนินกับพระพุทธเจ้าในสมัยนั้นพระพุทธเจ้าท่านเล่าเองนะบอกเราเนี่ยออกจากอาสมแล้วสบัดจีวรเปลือกไม้แล้วก็หอกหอกว่าทางอากาศก็คือมันเวลาหอกมาเนี่ยเปลือกไม้กระดังงี้ตีกันกระดังปิ้งยิงเนี่ยหอกมาอย่างนั้นน่ยประชาชนก็เอ๊ะ ไม่ได้ค่อยสนใจตัวเองเลยพากันสนใจที่จะทําทางถวายพระพุทธเจ้าเราเห็นชนต่างก็พากันสมนัสอย่างนั้นแล้วเนี่ยยินดีร่าเริงเบิกบานก็ลงมาจากท้องฟ้าถามมนุษย์ว่าท่านทําอะไรกันพวกมนุษย์นั้นก็บอกว่าข้าแต่ท่านสุเมธาภูเจริญท่านไม่ทราบหรือว่าพระทีปังกรพระทศวรยานสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยทรงบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณแล้ว ได้หมุนกงล้อธรรมจากอันพเส ร, ริฐให้เป็นใบแล้วฟังกันเธอสะสด็จมาลำดับในนครพวกเราเรากำลังจะชำระทางทำทางนี้ถวายแด่พระพุทธเจ้าท่านสุมเมธทัดดาบดคิดว่าพอได้ยินคำว่าพุทธโธเนี่ยท่านก็อุทานในใจว่าโอ้ยคำเนี้ยคำว่าพุทธะเนี่ยเป็นชื่อของอะไรคำว่าพุทธะเนี่ย คำว่าพุทธะเป็นชื่อของปัญญาตัสรุอริยาาสัจสี่นะฉะนั้นคำนี้เขาตื่นเต้นกันมากเวลาได้ยินคําว่าพุโทโธพุโทโธเนี่ยเพราะเขารู้ว่าปัญญาญานที่ตัศสุอริยสัจสีได้อุบัติเกิดขึ้นแล้วพอได้ยินแค่นี้ท่านก็ตื่นเต้นแล้วปีติเกิดแล้วแม้เราควรจะร่วมในการเจริญกุศลกับหมู่มนุษย์เหล่านี้เพื่อจะต้อนรับพระทศภรรยานนั้นเนี่ยเราก็เลยบอกว่าท่านผู้เจริญ ถ้าพวกท่านจะตกแต่งทางนี้เราขอโอกาสพวกมนุษย์เหล่านั้นก็เลยบอกเออท่านพวกนี้มีฤทธิ์มีฤทธิ์มากอย่าง ก, กันนั้นเลยแล้วก็ให้ทางที่ยากยากแก่ดาบอพวกนี้ก็แล้วกันก็เลยให้ทางที่ยากยากในการที่มีทั้งน้ํามีทั้งโคลนด้วยเขาจะจ่มาปกติเนี่ยสุมเมธาดาบอเนี่ยท่านมีฤทธิ์ท่านสามารถอธิษฐานนะอธิษฐานด้วยฤทธิ์เนี่ยยังทางนั้นให้ให้ราบเรียบแม้ในพิปตาก็ได้ แต่ถ้าทําอย่างนั้นกุศลจะเกิดไหมเกิดน้อยมากท่านก็เลยใช้กําลังของท่านเนี่ยใช้หนังเสือถอดหนังเสือออกมาแล้วก็ไปเก็บก้อนหินไปเก็บดินเนี่ยเก็บแต่ละก้อนเก็บแต่ละเม็ดเนี่ยท่านก็อุทานออกมาว่าพุทโธพุทโธท่านอุทานออกมาอย่างเงี้ยพุทโธพุทโธก็ปิติมันเกิดว่าเราจะบูชาพระเจ้าเราจะบูชาพระเจ้าท่านก็เร่งทําใหญ่ทําไม่เห็นแกนเน่เหน็ดแก่เหนื่อย ในขณะที่ทายังไม่ทันเสร็จนั่นแหละพระเจ้าเสด็จมาแล้วประชาชนพากันถือดอกไม้ของหอมเต็มไปหมดแล้วทีนี้ยทีนี้เมื่อเมื่อเสด็จมาถึงตรงนั้นแล้วท่านท่านมองว่าท่านยังทำไม่เสร็จใช่ไหมเมื่อเรายือนอยู่ในที่นั้นน่ะท่านบอกว่า เห็นพระพุทธเจ้าพร้อมได้ภิกษุสงฆ์เนี่ยสี่แสนรูปนะครับลืมตาขึ้นมองดูพระกายของพระพุทธเจ้าที่สเสด็จดำเนินมาตามที่ตกแต่งแล้วเนี่ยซึ่งเป็นผู้เลิดและก็งดงามมากประดับไปด้วยมหาบุริสระนาดสาสองประการและนุพยัญชนะ80มีแสงสว่างเปล่งพุทธรัษมีออกมาเฉพาะวรกายด้วยดูประหนึ่งสายฟ้า ที่สอด ส, สั่งแสงสว่างเหมือนแก้วมณีนนว่างั้นเถอะท่านพอเห็นอย่างงั้นปุ๊บท่านก็เลยคิดว่าวันนี้เราควรจะกระทําการบริจาคชีวิตแด่พระพุทธเจ้านี่คิดแล้วเราไม่มีอะไรแล้วนอกจากแพ่าวทางทางยังไม่เสร็จแต่วันนี้เราจะถวายชีวิตบูชาพระพุทธเจ้าขอพระพุทธเจ้าอย่าได้ทรงเหยียบตมเลยแต่จงเหยียบหลังของเรานี้เสด็จไปพร้อมทั้งพระขีนาศบเนี่ยสี่แสนโลบท่านคิดแล้ว ท่านพิจารณาดูแล้วว่าท่านทําทางไม่เสร็จพอดีใช่ไหม <c oughs> ท่านก็เลยมานั่งพิจารณาแล้วท่านบอกว่าเอาละวันนี้เราจะถวายอัตภาพาถวายชีวิตพอท่านคิดอย่างนั้นเบเสร็จท่านก็ปลดหนังเสือผ้าคากรองทั้งหลายอลไรเนี้ยวางบนเปิกต้นพอวางเบ็เสร็จปุ๊บท่านก็นอนราบนะครับนอนราบเบเสร็จปุ๊บท่านก็ยกมือบนมแล้วก็ลาธนาพระเจ้าบอกว่าขอให้พระพุทธเจ้าเนี่ย บอกว่าวันนี้เราควรกระทาการบริจาคชีวิตแด่พระทศพลขอพระพุทธเจ้าจงอย่าได้ทรงเหยียบที่ตมเลยแต่จงเหยียบหลังของเราเสด็จไปพร้อมทั้งพระขีณาสพ4ี่แสนรูปเหมือนทรงเหยียบสะพานแก้วมณีเถิดท่านคิดอย่างนี้นะการที่พระองค์ทรงกระทาเช่นนี้จักเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่เราตลอดกาลนานพอท่านคิดอย่างนี้ เรายือนอยู่ท่านบอกว่ า, างั้นยินดีมีใจปราบรื้มว่าเราจะปลูกพืชคือกุศลธรรมไว้ในบุญญาเขตคือพระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นี้ขณะอย่าได้ล่วงเลยเราไปเสีย เ, ยเห็นไหมโอกาสเนี้ยมันมีแค่ขณะนี้เท่านั้นคนเราในเวลาจะเจริญกุศลเนี่ยครับมันมีจังหวะมีโอกาสแค่ชั่วขณะเดียวเท่านั้นนะถ้าโอกาสนั้นผ่านฟุบไปแล้วหมดสิ้เลยนะเช่นมัวแต่คิดช้า พระพุทธเจ้าเสด็จหนีไปแล้วหรือว่าเสร็จกิจตรงนั้นแล้วเนี่ยหมดโอกาสเลยเข้าใจไหมท่านคิดเร็วทันทีว่าเอาละโอกาสนี้เป็นโอกาสที่ดีและเลิอดที่สุดท่านก็เลยอาราธนาพระพุทธเจ้าเลยให้พระพุทธเจ้าเหยียบบนแผ่นหลังตนเองไปเท้าของพระบรมศาสดาพร้อมกับเท้าของพระรหันทั้งหลายเหล่านี้จะได้เปื้อนเปือกตมเลยว่างั้นเถอะถ้าทําอย่างนี้จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพุทเจ้าเป็นนั้นมากเห็นไหม ถ้าคิดว่าเพื่อความสุขของใครเวลาถวายชีวิตถวายบูชาพระพุทธเจ้าเพื่อเพื่อประโยชน์ของใครเ อ, อเวลาเราสวดมนต์เนี่ยมันมีบทสวดทำวัดข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระพุทธเจ้าเราได้ท่องคำนี้ไหมใช่ไหมพุทธสาหังนิ ญ, ญาเทมิสเรรานชีวิตตันจิตังใช่ไหมเราได้สวดไหมคเนี้ ข้าพเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระเจ้าข้าพเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระธรรมข้าพเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระสงฆ์เวลาเราสวดคเนี้เราสวดเล่นหรือสวดจริงสวดจริงหรือเล่นนะจริงๆเลยหรือใจเราถวายจริงๆไหมถามจริงหรือว่าพูดไปตามหนั ง, หนงสือ ในใจเราเราน้อมถวายจริงๆเลยไหมเอ๊ะทำไมต้องถวายเคยเคยเคยสงสัยไหมครับสมเมทาดาบทท่านถวายจริงไหมวันละมอบกายถวายให้พระเจ้าเหยียบบนแผ่นหลังพร้อมด้วยภิกษุสงสี่แสนลูกเอางี้สมมติว่ า, เ อ, า, า 1, เอ้ามีพระลหนึงยืนนอนขวางประตูแล้วให้พระสี่สิบรูปเหยียบจะเครียดไหมเนี่ย มันพอดีมีท้องล่องตรงนั้นพอดีจะโดดข้ามก็ลำบากเออไม่อยากให้เท้าพาท่านเปื้อนน้นนอนคว่ำหน้าทนั้นแล้วแล้วก็นมือท่านทั้งหลายอนุเคราะห์ผมด้วยช่วยเหยียบบนหัวบนแผ่นหลังผมไปเถอะว่างั้นเะเท้าท่านจะได้ไม่เปื้อนเพื่อจะได้ไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ผมเนี่ยตลอดการแลนานช่วยอนุเคราะห์ผมหน่อยจะเครียดกินไหมมีคนนึ่งเหยียบหัวปุ๊บปุ๊ป๊๊บเหยียบไปเงี้ยเครียดไม่เครียดดีใจไหม โอเป็นงั้นเลยไม่เดี๋ยวพูดต่อหมายว่าเวลาเราสวดมนต์ทำวัดที่เราบอกว่าอข้าพเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระธรรมแด่พระสงฆ์พระเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นนายมีสระเหนือข้าพเจ้าเนี่ยคำคำนี้เวลาเราสวดกันนั้นเป็นการสวดจริงจริงหรือสวดเล่น ในใจเราน้อมสละถวายจริงๆหรือไม่ในน้อมสละนี่ถามจริงนะไม่ได้น้อมเลยใช่ไหมสวดไปตามประเพณีใช่ไหมสวดไปตามพิธีกรรมใช่ไหมเออเราจะน้อมจริงๆได้ไหมน้อมสละจริงๆได้ไหมคืออย่างนี้นะตั้งตั้งประเด็นก่อนว่าทําไมต้องสวดคํานี้เพราะอะไรอ๋อเพราะอะไร ถ้าเราทําไม่ได้เราเว้นตรงนี้ได้ไหมเวลาสวดพอถึงตรงนี้ปุ๊บหยุดเลยได้ไหมข้ามไปเลยผมไม่เอาไม่ไหวสู้ไม่ไหวได้ไหมหรือว่าเราขอไม่สวดแล้วไว้แบบเนี้ยมันเหมือนไปนั่งกหกพระพุทธเจ้าอะไรเงี้ยเนีะใช่ไหมแล้วจะมองหน้าพระพุทธเจ้ายังไงเวลาสวดไปแล้วเอยังไงเนี่ยยังไงเนี่ยอะไรเงี้ยเป็นไหมหรือไม่ได้คิดพี่บวชมาไม่เคยคิดคำนี้เลยเคยคิดไหม คืออย่างนี้ประเด็นคือทำไมเราต้องยอมเป็นทาสพระเจ้ารู้ไหมครับเพื่อปกติในกระแสชีวิตเราที่ผ่านมาเนี่ยเราเป็นทาสของโลภะทศม า, าเวลาความโลภความกำนัดความยินดีเพิดเพลินมันเกิดขึ้นในใจเราเนี่ยความโลภต้องการอยากให้เราไปทำอะไรเราก็ตามใจเขา อยากให้ไปกินอะไรอยากให้ไปทําอะไรอยากให้ไปดูอะไรไปฟังอะไรเนี่ยไปทํากิจกรรมใดๆเรายอมจำนนกับมันหมดเลยยอมซีโรราบกับความโลภเลยว่าไงเวลาความโกรธความหมงุดหงิดมันประชมในกระแสชีวิตมันจะบงการให้เราไปถึงตา ม, มองใครไปด่าใครไปเกลียดใครไปโกรธใครเราทําตามมันหมดเลยว่าไงเธอเวลาความลังเรศสงสยัยความฟุ้งซ่านมันเกิดขึ้นมาเนี่ยเราก็ตามใจมันหมด มันจะฟงซ่านเรื่องอะไรก็ยอมที่จะฟงซ่านไปตามเรื่องนั้นเพ้อเจ้อเรื่องอะไรก็ไปในเรื่องนั้นสงสัยลังเลตรงเราก็ยอมให้มันเกาะกินใจเราอยู่ บ, บังคับกากับเราอยู่ตลอดเวลานี่คือปัญหาเวลาเราไปสวดมนต์เราเลยไปปฏิญญาณว่าไม่เอาแล้วนับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปเราจะไม่ยอมเป็นทาสของราคะความกาําหนัดโทสะความโกรธและโมหะคือความมืดบอดอีกต่อไปแล้วเราจะขอเป็นทาสกับพุทธคือปัญญาที่ตัดสู้ความจริง ธรรมะคือศีลสมาธิปัญญาสังฆะคือหมู่ชนที่ถอนกิเลสคือราคาโทสะโมหะออกจากกระแสชีวิตเป็นผู้มีอิสระเสรี ภ, ภาพตามพระพุทธเจ้าแล้วเราเลยยอมที่จะเป็นทาสของพุทธธรรมะสังฆะดีกว่ามาเป็นทาสของราคาโทสะโมหะเขาใจ ย, ยังเราเราไปสวดเราไปปฏิญญาณอย่างนี้แล้วเราก็ตั้งใจที่จะปลึกตนเองแบบนี้นะครับพวกคุณได้ตั้งใจแบบนี้ไหมต่อไปตั้งแบบนี้ได้ไหม เออไปตั้งแบบนี้บอกไม่เอาแล้วไอ้มันเหนื่อยมากเนี่ยมันกำกับเราตลอดสั้งแก่ดตดูที่เวลาเราเกลียดมันจะให้เราเกลียดใครเนี่ยโอ้โหมันเกลียดนานเลยถามหน่อยตั้งแต่เข้ามาอบรมกันเนี่ยเคยไม่พอใจกันไหมถามนั่นแปลว่าเราเป็นทาสของโทสะใช่ไหมล่ะตรงนี้เราก็บอกทันที ทำอย่างนี้ได้ไหมถ้าเกิดไม่พอใจใครก็เดินไปหาคนนั้นนะบอกคุณครับเมื่อกี้ผมเกิดมีจิตชั่วร้ายมีจิตลามกคิดไม่ดีกับคุณให้ผมระบายโทสะผมได้ไหมไม่ใช่อย่างนั้นนะบอกว่าบอกว่าอาะผมผมสำนึกได้แล้วนับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไป ผมเลยมาบอกคุณด้วยต่อไปผมจะระงับยับยั้งจะไม่ยอมเป็นทาสของโทสะหรือโลภะโมหะอีกต่อไปผมยอมเป็นทาสพระพุทธเจ้าคือปัญญาที่ตัดสู้ความจริงยอมเป็นทาสของธรรมะคือให้ศีลสมาธิปัญญากำกับชีวิตผมยอมเป็นทาสสังฆะคือดำเนินตามแนวทางที่พาริยะท่านดำเนินไปขจัดกิเลสตะหาคะโทสะโมหะออกจากกระแสชีวิต ผมยอมเป็นธาตุพุทธธารรม ส, สังฆาตามที่ผมปฏิญาณไว้เมื่อเช้าเนี่ยและผมก็จะทําให้ได้อย่างนั้นจริงๆนั้นตอนนี้มันเผอผมเลยมาระบะ ม, ม, มาสารภาพกับคุณอีกองหนึ่งก็ครับดีแล้วผมก็จะได้ฝึกตนเองอย่างที่คุณฝึกโอ้โหถ้ายาี่ดีไหมถ้าสถานการณ์เป็นอย่างเนี้นใช่ไหมโอ้โหอยู่กันด้วยความรักเลยแบบนี้ใช่ไหมล่ะสําคัญว่าไอ้นินเอามันสักทีดีไหมเนี <laughs> ่ย ดูมันดูมันเดินดิดูมันเดิ น, ด, น, ด, นดูมันทำหน้าดูมันนั่งเรียนดูที่ดูที่มันไม่สนใจเรียนมันนั่งหลับอะไรยเงี้ยเนี่ย <c oughs> อ่ะบางคนที่จริงเวลาผมไปบรรยายแล้วมันมีคนนั่งหลับผมคิดยังไงรู้ไหมอยากรู้ไหมอ่ะผมคิดยังไงรู้ไหมผมคิดว่าเออดีนะผมคิดนี้จริงๆนะโอท่านคงเพียท่านอะไรอย่างงี้ย ถ้าได้ยินเสียงเราแล้วเป็นเหยื่อให้ท่านหลับได้เนี่ยโอ้เป็นบุญมากปกติท่านคงนอนไม่ค่อยหลับในกลาคืนนี่ยนะ <laughs> <laughs> เราคงคิดงั้นจริง <laughs> คืออยากให้ท่านมีความสุข <laughs> มีความสุขเขาบางคนเนี่ยการที่จะหลับได้สนิทและหลับได้ลึกเนี่ยมันยากมากเลยนะแต่อย่า ก, กรนนะ <laughs> <laughs> แต่คนข้างๆเขาจะราคาญ <laughs> อันนี้อันนี้จริงๆผมจะมีความรู้สึกทผมต้องระวังว่าทํำยังไงจะไม่ให้คัดคือเห็นไหมเนี่ยกรณีอย่างเงี้ยสุมเมธาดาบทเนี่ยท่านท่านยอมถวายอัตภาพฉะนั้นจริงๆพวกเราก็ถวายได้ที่จะพูดเนี่ยไม่ใช่แค่สุมเมธาดาบทเท่านั้นแม้พวกเราก็ประกาศในการที่จะถวายอัตภาพบูชาพระธเจ้าทุกวันแต่เพียงว่าเราจะได้ ปกจิตสํานึกให้มันเกิดขึ้นมาไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราถวายจริงๆหรือปนเปล่าแค่นั้นเองใช่ไหมละครับแต่ถ้าเราบอกว่ า, เ, าเขาให้ท่องก็ท่องเหมือนกัไปท่องเสร็จก็กลับมาก็เหมือนเดิมนี่แหละก็มึน ง, งงในชีวิตต่อไปเนี่ยนะถ้าอย่างนี้ก็ไม่ได้พัฒนาเลยใช่ไหมครับในหลักการในพระศาสนาเนี่ยถ้าไม่ได้ทำอะไรแบบเล่นๆเลยเนี่ในหลักการจริงๆที่ท่านวางหลักไว้เนี่ยท่านทําไว้จริงๆนี่แหละแต่ว่าเราไม่เข้าถึงสาระตรงนั้น ตรงนี้ท่านบอกว่าเราจะปลูกพืชคือกุศลทั้งหลายไว้ในบุญญาเขตคือพระทีปังกรพระพุทธเจ้าพระองค์นี้ขอขณะอย่าได้ล่วงเลยเราไปเลยคําว่าปลูกพืชคือกุศลแปลว่าอะไรเวลาเราเจอพระพุทธเจ้าอย่างในพระศาสนาเนี่ยเรามาปลูกพืชไห ม, มเมล็ดพืชคือเม็ดของกุศลที่เราจะหว่านไว้ในพระศาสนา หวานไว้ในพระเจ้าเช่นเวลาเราระลึกถึงคุณของพระเจ้าในเวลานั้นน่ษษะกุศลเจตานานั้นเป็นเหมือนมเมล็ดพืชที่เราปลูกแล้วก็เราหวานไว้ในพุทธเขตของพระเจ้าละลึกอลาหาันความเป็นผู้ใกลจีย ก, กิเลสแต่สรู้ชอบได้เ่พระองค์เองเป็นผู้ถึงพร้อมได้วิชา8ปจารณาสิเป็นผู้เสด็จไปดีแล้วเป็นต้นเมื่อเราคิดอย่างลึกซึ้งในการระลึกถึงคุณของพระเจ้าเจตนาะเจตนาะเจ ต, นะเ จ, ตนะจำนงที่ระลึก ในนั้นมีศรัทธาเพราะเมล็ดพันธุ์ไว้แล้วความเพียรก็เพราะเมล็ดพันธุ์สติสมาธิและปัญญาที่เราเป็นกลุ่มกุศลธรรมทั้งหลายที่เราเลิกถึงคุณของพระธเจ้าในขณะนั้นชื่อว่าเรากําลังหวานเมล็ดพืชไว้ในบุญญาเขตในพุทธเขตของพระสัมมาสามัมพุทธเจ้าเขาใจ้ยังแต่เพียงว่าเราจะคิดให้เป็นกุศลได้มากแค่ไหนเนี่ยการหว่านการคิดแต่ละครั้งก็คือการหวานเมล็ดพืชที่เป็นกุศลลงไปในบุญในในพุทธเขตของพระเจ้านะครับแต่เพียงว่าเราไม่ค่อยหว่าน เหมือนว่าเราเข้าไปเหมือนคนที่เ็าหวานข้าวในนาเนะครับเขาถือเขาเดือถื อ, ถ, อถือตะกร้าถือกระบุงถือพาชนะไปใส่ข้าวมีเมล็ดข้าวไหมอาม้าวมีมีแล้วเขาหวานด้วยความตั้งใจไหมไม่ใช่วาดสารพัดเลยไม่หวานไปทั่วมันจะขึ้นไหมไม่ขึ้นนี่เหมือนกันเรามาในบุญญาเขตของพุทธเขตของพระเจ้าแล้วมีทั้งชาติเขตมีทั้งอนาเขตมีวิสัยเขตใช่ไห ใ น, ในเขตของพระเจ้าเพียงเดียวเราจะหว่านเม็ดของกุศลเจตนาลงในบุญญาเขตได้มากแค่ไหนกระทากายกรรมวิจิกรรมโดยเฉพาะมโนกรรมที่เราหวานลงไปเนี่ยเราตั้งใจในการที่จะหวานอย่างแท้จริงไหมนี้เป็นต้นแม้การนั่งฟังเนี่ยแล้วฟังด้วยใจที่เป็นศรัทธามีความเชื่อมั่นสติก็กํากับคอยกากับและจับเรื่องราวที่ฟังอยู่สมาธิก็ตั้งมั่นเพียรประคองจิตตลเด้งอยู่มีปัญญารู้และเข้าใจในขณะนี้ชื่อว่ากําลังหวานไหม หวานหรือไม่หว่านนี่เขาเรียกว่านหวานเม็ดของกุศลเจตนาหรือหวานพืชที่เป็นกุศลลงในพุทธเขตของพระพุทธเจ้าท่านก็บอกขณะอย่าได้ล่วงเลยเราไปซสียเลยก็แปลว่ายาถ้าขณะนี้มันเลยไปปุ๊บโอกาสในการหวานเม็ดบุญกุศลมันก็ไม่มีแล้วก็ไปทํากิจอย่างอื่นต่อไปใช่ไหมบางคนเวลามาอยู่ในขณะนั้นๆความตั้งใจต่ําก็เหมือนกับคนไปทําหวานข้าวไม่ได้ตั้งใจในการหวาน บางคนหูตั้งใจเต็มที่เลยอะสมมุติถ้าผมมาบรรยายนะครับผมมาพูดพูดไปหลับไปพูดไม่รู้เรื่องเลยพูดเรื่องอะไรก็ไม่รู้มัว่วไปหมดเนี้ยอี่ผมก็ไม่ได้ตั้งใจหว่าน mm. บุญญเขตใช่ไหมเออแบบหว่านพืชคือกุศลลงในบุญญเขตในพุทธเจ้านี่ผมตั้งใจนะผมมีความตั้งใจอย่างมุ่งมั่นว่าผมจะกล่าวคําสอนของพระพุทธเจ้าด้วยความเคารพ และในขณะเดียวกันก็คือว่าถ้าท่านทั้งหลายสงสัยใดๆถามแล้วผมจะตอบด้วยความจริงใจเนี้ยนะและตามข้อมูลความรู้ที่ศึกษามาพอสมควรเนี่ยจะพยายามบอกให้เกิดความรู้ความเข้าใจให้ละเอียดทุกขั้นตอนตามที่ตามสติปัญญาที่จะดําเนินไปได้นี่เป็นตน้นผมตั้งใจเพราะอะไรผมต้องการอะไรผมต้องการหวานเมล็ดพืชเข้าไวในบุญญเขตในพุทธเขตนี้อย่างนี้เป็นตน้นเนี่ยท่านคิดอย่างเนี้ย ท่านบอกว่าถ้าพวกท่านจะตกแต่งทางเพื่อพระพุทธเจ้าก็จงให้สถานที่แห่งหนึ่งแก่ข้าพเจ้าและแม้ข้าพเจ้าก็จะตกแต่งทางนั้นที่ท่านไปขออย่างนี้ในขณะที่ท่านแผ่วถางทางนั้นท่านก็อุทานพุทธโธพุทธโธเป็นต้นไปตามระดับแล้วก็การรับเสด็จดําเนินของพระพุทธเจ้าก็เกิดขึ้นเนี่ยนทีนี้ท่านบอกว่าเรามนุษย์ที่ไปบนแผ่นดิน ก็ชูดอกไม้ดอกจำปาดอกสนดอกกระทุ่มดอกกระทิงดอกบุญนาคดอกกาลเกตบูชาพระพุทธเจ้าทกทิศ ต, ตอนนั้นเราท่านพูดถึงตัวท่านเองนะพระพุทธเจ้าท่านเล่าว่าเราเนี่ยสยายผมที่เกลียวไว้ออกปูลาดผ้าเปลือกไม้และหนังเสือลงบนตรงในสถานที่ที่เขาให้เราตกแต่งนั่นแล้วนอนคว่ำหน้าเราคิดว่ามีท่านคิดนะ ขอพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยเหล่าพระขีนาศพผู้เป็นศิษย์จงเหยียบเราแล้วเสด็จไปอย่าได้เหยียบโคลนตมเลยการที่พระองค์ไม่สงเหยียโคมตมเลยจะเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่เราโดยแท้นี่นี่ถวายอัตภาพแล้วแล้วก็สุเมธาดาบทนั้นนอนอยู่บนตมนั่นแหละลืมตามองเห็นพระพุทธเจ้าได้ความงดงามอ่ะ ท่านคิดทันทีตอนนั้นท่านคิดบอกว่าถ้าเราปรารถนาไซส์ปรารถนาแล้วฟังธรรมของพระเจ้าในวันนี้เราสามารถจะเผากิเลสทั้งหมดแล้วเป็นพระสังฆนวกะเดินตามพระสงฆ์สี่แสนลูกไปได้อย่างสบายเลยท่านคิดขนาดนั้นนะแปลว่าปัญญาท่านดีไหมท่านบอกถ้าท่านฟังเนี่ยปกติเวลาพระทธเจ้าแสดงธรรมแค่สี่บาทคาถาใช่ไหมครับ อ, อย่างเช่น ตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนคนอื่นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งได้เมื่อบุคคลมีตนฝึกดีแล้วชื่อว่าได้ที่พึ่งที่หาได้ยากที่สุดฉะนั้งเนี้ยประโยคแค่เนี้ยนี่ก็สี่บาทในวันนั้นสุมเมธาดาบทเนี่ยท่านฟังทำแค่สามบาทคาถาเนี่ยท่านบรรลุได้เลยไม่ต้องถึงสี่ปัญญาขนาดนั้นนะครับกลุ่มนี้คือกลุ่มอุคติตันยู ฟังโดยย่อแล้วตัดสู่ทันทีเออท่านบอกว่าถ้าท่านตั้งใจฟังเนี่ยนะบอกกับท่านจะบรรลุพระนิพพานแต่ท่านบอกว่าถ้าเราจะเผากิเลสละกิเลสแล้วบรรลุพระนิพพานโดยที่ใครไม่รู้จักก็ไม่ได้เป็นประโยชน์กับกับบุคคลอื่นเลยท่านคิดอย่างนั้นนะท่านก็เลยคิดใหม่บอกกับเราพึงเป็นดังพระทิศ พระทีปังกรทศพล น, นี้บรรลุพระสัพพัญญตยานยอดเยี่ยนแล้วขึ้นสู่ธรรมนาวาคืออริยมรรยงแปดยังมหาชนให้ข้ามสาครและปรินิพานในภายหลังข้อ น, นี้จะเป็นการสมควรกับเราโดยโดย่อๆก็คือว่าวันนี้หากเราปรารถนาเราสามารถเทากิเลสของเราได้แต่จะมีประโยชน์อะไรกับเราด้วยการทําให้แจ้งซึ่งธรรมในสํานักของพพุทธเจ้าในองค์นี้ โดยที่ไม่มีใครรู้จักท่านก็เลยคิดว่าเราจะบรรลุสัพพยุตญาณแล้วเป็นพระเจ้าในโลกพร้อมทั้งเทวโลกแล้วก็จะมีประโยชน์อะไรด้วยโดยการที่บุรุษผู้มีเรี่ยวแรงมีกําลังเหมือนเราอยู่เนี่ยจะข้ามฝั่งไปคนเดียวเขออ้าใจยังงั้นไม่มีประโยชน์ว่างั้นเถอะท่านก็เลยมาดำริบอกว่าเราตัดสู้แล้วจะให้สัตว์อื่นตัดสู้ด้วยเราข้ามได้แล้วจะให้สัตว์อื่นข้ามได้ด้วย เราปริทิพานแล้วจะให้สัตว์อื่นปริทิพานด้วยอย่างนี้เป็นต้นแม้เราหายใจคล่องแล้วจะให้สัตว์อื่นหายใจขล่องด้วยพอท่านคิดอย่างนี้เบีเสร็จท่านก็เลยตั้งความปรารถนาตั้งความปรารถนาว่าจะเป็นอย่างพระพุทธเจ้าองค์เนี้ยทีนี้บุคคลที่พระพุทธเจ้าจะพยากรได้เนี่ยพระพุทธเจ้าจะพยากรหรือไม่พยากรณ์เนี่ย ต้องสมบูรณ์ด้วยองค์8ใช่ไหมที่เมื่อเมืม่อวานที่พูดถึงว่ารรมสมาทาน8อย่างหนึ่งความเป็นมนุษย์ 2. ถึงพร้อมด้วยเพศ 3. สมบูรณ์ด้วยเหตุ 4. การเห็นพระบรมศาสดา 5. กาคือการบรประชา 6. ก็คือสมบูรณ์ด้วยคุณ 7. ก็คือการกระทำที่ยิ่งใหญ่ 8. ก็คือมีฉันทะมีความพอใจอย่างแรงกล้านี่8ข้อนีนะ เขาเรียกว่าธรรมมสมโอธานแปดความเป็นมนุษย์ก็คือบุคคลที่ดำรงอยู่ในพลาแห่งความเป็นมนุษย์เท่านั้นนะถึงจะปรารถนาเป็นพระเจ้าเนี่ยความปรารถนาย่อมสําเร็จถ้าเป็นเกิดเป็นนาคเป็นครุฑเป็นเทวดาเป็นเท้าสกะไม่สําเร็จนั้นตอนนั้นท่านสมบูรณ์ไหมสุเมธาตาบดเป็นมนุษย์ใช่ไหมท่านไม่ได้เป็นนาคเป็นครุฑเป็นคนทันหรือเป็นเทวดาสองความถึงพร้อมได้เพศเออในการเห็นการเป็นมนุษย์เนี่ย ต้องเป็นเพศบุรุษถึงจะสําเร็จถ้าปราดถ้าเป็นหญิงเป็นบรรเดาะเนี่ยเป็นกระเทยเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไไดนี่ข้อที่สองท่านได้ไหมได้ข้อที่สามสมบูรณ์ด้วยเหตุสมบูรณ์ด้วยเห ต, เหตุแม้บุรุษเนี่ยแม้ความปราถนาสมบูรณ์ด้วยเหตุที่คือสามารถที่จะบรรลุในอัตภาพนั้นได้คําว่าสร้างเหตุปัจจัยมาจนบริบูรณ์แล้วเขาเรียกติเหตุกาปฏิสนธิ เกิดมาพร้อมด้วยความไม่โลภความไม่โกรธแล้วก็ปัญญาใช่มครับแล้วสามารถฟังทำและบรรลุได้เนี่ยเหตุตรงนี้ท่านก็มีนี่ข้อที่สามข้อที่สี่การเห็นศ า, าสดาก็คือว่าเมื่อปราถนาในสำนักพทธเจ้าที่มีพระชนอยู่เท่านั้นถึงจะสมปราถนาไม่ใช่ไปรปราถนาเนี่ยที่พระเจดีย์ต้นโพอะไรเงี้ยไม่ได้เพราะถือว่าพระบรมศาสดายังไม่มีพระชนอยู่ เวลาจะปราถนาจะสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์เนี่ยข้อนี้ยต้องในสมัยที่พระเจ้ายังทรงประชนอยู่เท่านั้นนี่การเห็นพระบรมศาสดาพระศาสดาเห็นตัวเองจริงๆข้อที่ห้าการบรรญชาก็คือว่าถ้าปราถนาในสำนักพระเจ้าแล้วก็ดีอยู่แต่ต้องอยู่ในเพศของนักบวชถ้าในเพศของกระหัตไม่สําเร็จโุเมธาดาบดเป็นนักบวชไหมเป็นฤาษีเป็นนักบวชเห็นไหมและเป็นนักบวชที่เป็นสมาธิเท่านั้นนะไม่ใช่เป็นมิจฉาทิฏฐิ ข้อที่หก็คือสมบูรณ์ด้วยคุณคําว่าสมบูรณ์ด้วยคุณในที่นี้ก็คือว่าได้สมาบัติ8คือจ ต, ต, ตุตัชฌานปฐมฌานทุติยฌานตัฏฐิฌานจตุติฌานแล้อรูปฌานอีก4ใช่ไหมอาการสารัญจายัตนาวิญญาณานจายัตนาอากิญญายัตนะและเนวสัญญานาสัญญายัตนาแล้วก็อภิน ย, ยค่อันนี้เขาเรียกว่าสมบูรณ์ด้วยคุณสมบัติเหล่านี้พุทธิยถาถึงจะพยากรณ์ถ้งนั้นไม่ได้ข้อที่เก็ก็คือการกระทําที่ยิ่งใหญ่ คำาการะทําที่ยิ่งใหญ่ในที่นั้นก็หมายความว่าปรารถนาในการการะทําที่วิเศษก็คือได้บริจาคชีวิตของตอนเองแด่พระเจ้าท่านทํำไหมนั่นท่านสละอัตภาพเป็นสละชีวิตเอ๊ะยังพวกเราทําหมยังพวกเราได้ไหมมีคุณสมบัติครบไหมพวกเราเนี่ยข้อแรกเราไปเป็นไหมเป็นมนุษย์เป็นไหมเป็นถึงพร้อมด้วยเพศเป็นบุรุษเป็นไหมนนะแล้วก็สมบูรณ์ได้เหตุ ฟังทำให้บรรลุวันนี้ได้ไหมเนี่ยโอ้โ oh, หสักหมดแล้วต่เนี่ไม่ได้แล้วนะข้อนี้นะแล้วได้เห็นพระศาศสดาเพราะพระศาศสด า, านี้ผ่านแล้วนี่ข้อนี้กับัประชานี่พวกเราได้นะเนี่ยข้อนี้ได้สมบูรณ์ด้วยคุณมีสมาบัติไหมครับ <laughs> <c oughs> <s> เอ๊การการลงผวังนี่เรียกว่าสมาบัติไหม การนอนหลับนี่เรียกว่าสมาบัติไหมไม่เรียกนะเวลานอนหลับนี่เรานอนได้ลึกไหมลึกไม่ลึกนอนแบบฮะนั้นการเข้าสมาบัติถ้าคนเข้าลึกๆเหมือนคนนอนหลับลึกเนี่ยแต่ว่าไม่หลับมันไม่รู้เรื่องแต่เข้าสมาบัติเขารู้ดด่งอยู่ในอารมณ์เดียวนะครับ ต่างกันสามารถดึงในอารมณ์เดียวได้อย่างลึกซึ้งเลยเสียงอะไรก็ไม่ได้ยินได้จำได้ไหมตอนที่อุทกกาดาบทอลาละดาบ ท, ที่ท่านไปเข้าสมาบัตใช่ไหมที่ว่าลูกศิษย์ไปบอกว่าไปเล่าให้พุทธเจ้าฟังตอนที่พุทธเจ้าประทับที่เมืองอตุมาบอกว่าอาจารย์ของท่านเนี่ยอยู่ในสมาบัต กวยนห้า้อยเล่มเกวียนผ่านไปน้ำกระชอกเปือเอ้อนผ้าคากรองของอาจารย์ตนเองเต็มไปหมดเลยน้ำกระชอกใส่แต่อาจารย์ไม่รู้เลยว่ามีเกวียนผ่านไปเนี่ยสมาบัติของอาจารย์ตนเองลึกซึ้งขนาดนี้ตนเองจึงศรัทธาในอาจารย์ตนเองมากไปพูดให้พระเจ้าฟังเพราะบรมศาสดาก็เลยบอกว่าเราสมัยหนึ่ง เราอยู่ที่อ ท, ที่เมืองเนี้ยแล้วเราก็เข้าสมาบัตในวันนั้นเกิดฟ้าผ่าใช่ไหมกลางคืนนั้นเนี่ยวัวตายไปสี่ตัวคนตายไปสองคนเราเราออกจากสมาบัตตอนเช้าเราไม่ได้ยินเสียงในคืนนี่เลยโอ้โหต่างกันไหมเสียงฟ้าผ่ากับเสียงน้ำกระชกเห็นไหมนันพุทธเจ้าเข้านิโรธาสมาบัต นิโรธาสมาบัติฉะนั้นความลึกของอารมณ์ความมั่นคงของสมาบัติความตั้งมั่นของสมาบัติมีความต่างกันมากนี่เป็นต้นโอ้เลยศรัทธาพระเจ้าเลยแต่นี่โห อ, อาจารย์นี่ตัเองกระจอกไปเลยดินี่เป็นต้น น, นี่สรุปแล้วก็คือสมบูรณ์ด้วยคุณนี่การกระทําที่ยิ่งใหญ่พวกเราได้ทำยังถวายอัตภาพแด่พระเจ้าทำไหมยังก็ทําทุกวันไงที่เราท่องทุกวันไง ใช่ไหมเราท่องทุกวันแต่เราไม่ได้ถวายจริงแค่นั้นเองเราพลิกใหม่ที่จะเนี้ยพลิกอัธยาใส่เอาแล้วนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราจะถวายอัตภาพจริงๆไม่อยากเราจะสมาทานจะไม่ยอมเป็นทาตุทองกิเลสถ้าทำอย่างนี้เราก็ได้แล้วเกือบจะครบแล้วใช่ไหมพวกเราเนี่ยเราเกือบจะครบแล้วนะเนี่ยข้อสุดท้ายเขาเรียกว่าฉันทตาคนนี้ก็คือความพอใจแม้ ผู้ที่จะสมบูรณ์ด้วยการกระทาที่วิเศษถวายอัธภาพแล้วยังจะต้องมีฉันทะคือความพอใจอย่างแรงกล้าอุสาหาความเพียรพยายามความแ ก, กล้าแกล้าในการแสวงหาอันยิ่งใหญ่เพื่อประโยชน์แก่ธรรมที่จะทำให้เป็นพุทธเจ้านะตรงนี้ตรงนี้สำคัญมากก็คือว่าจะต้องมีอุสาหะก็หมายความว่าถ้าบุคคลใดนะครับได้รับพุทธบรยกรจากพระพุทธเจ้าแล้ว อย่างเนี้ยอย่างสมัยท่าดาบ ท, ที่ท่านกําลังจะได้รับพุทธิยกรเนี่ยจากพุทธเจ้าเนี่ยท่านจะมีคุณสมบัติ4ประการเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นนิยตาโพธิสัตว์ที่ได้รับพุทธบยากรเป็นครั้งสุดท้ายจากพุทธเจ้าแล้วเนี่ยก็จะต้องเฝ้าในการที่จะสร้างสมอบรมบ่มบารมีให้มากยิ่งขึ้นไปอย่างไม่หยุดยั้งไม่ว่าจะทรงสวยประชากถือกําเนิดเป็นอะไรในชาตินั้นๆ ก็จะมีจิตใจที่ประกอบไปด้วยพุทธภูมิธรรมหรือพุทธภูมิธรรมเนี่ยประการนะเาเรียกว่าหนึ่งอุตสาหะสองอุมัตตะสอวัตถนาสะ 4. ก็หิตะริยาทั้งปักสี่ประการเนี่ยนะอุตสาหะเนี่ยตาโพธิศาสตร์ที่ได้รับพยากรณ์แล้วเนี่ยย่อมสมาทานอุตสาหะพุทธการระกรม พยายามยังจิตของตนเองให้ประกอบไปด้วยกุศลอุตสาหะให้มีความเพียรพยายามในการสร้างพุทธบารมียิ่งยิ่งขึ้นไปตลอดทุกชาติที่เกิดนี่ต้องมีความอุตสาหะอย่างกล้ากล้ามากไอ้ตัวฉันทะอุตสาหะตัวนี้แรงมากคือมีใจใ่รู้ใยฝึกใยฝนใยพัฒนาอยู่อย่างต่อเนื่องไม่หยุดหย่อนเลยนะในทุกอัตภาพที่เกิดแม้ในอัตภาพนั้นๆก็ฝึกตลอดเวลาเลยไม่กลัวต่อปัญหาเรือุปสรรคเลยอุตสาหะแรงมาก พวกเราเป็นไหมมี ม, มีมีตัวนี้ไหม ม, มีใช่ไห ม, มข้อที่สองอุ ม, มัตตะเนี่ยหลังแต่อยากได้รับพุทธพัยากรแล้วเนี่ยย่อมสมาถามอุ ม, มัตตะพุทธธรรมก็คือพยายามยังจิตของตนเองให้ประกอบด้วยปัญญายานฝึกในปัญญาเกิดขึ้นให้มีปัญญาเชี่ยวชาญเฉลียวฉลาดเ ฉ, ฉียบแหลมอย่างพุทธบา ร, รมีนั้นให้เจริญยิ่งยวดในทุกๆชาติที่ฝึกปัญญามาก ยิ่งเจอปัญหาเจออุปสรรคดึงอุปสรรคดึงปัญหาแล้วก็เอามาให้ปัญญาได้สอบสวนได้วิจัยได้แยกแยะได้ฝึกปัญญาของตนเองอย่างต่อเนื่องไม่ยอมหยุดเพราะอะไรต้องการที่จะบําเพ็ญเนี่ยปัญญาบารมีเนี่ยฝึกปัญญาเนี่ยปีชายานอะไรนี้ให้ฉานฉลาดในทุกเรื่องในทุกๆกรณีในทุกๆอัตภาพที่เกิดเ น, นี่ต้องทําตรงนี้นะให้ติดต่อและต่อเนื่องด้วยพวกเรามีไหมครับควาเนี้ยชอบไหม ชอบฝึกฝนชอบใช้ปัญญาชอบหาเหตุผลวิจัยแยกแยะไม่หยุดไม่หย่อนของอะไรก็แล้วแต่เนี่ยต้องเอาปัญญาไปสอบสวนก่อนต้องรู้ให้จริงๆต้องเจาะทะลุทะลวงให้ได้ไม่ใช่รู้แบบงูๆูปลาปไม่ใช่รู้แบบแบบประเภทที่คิดนึกเดาวๆเอาไม่ใช่เลยใช้ปัญญาสอบสวนในทุกเรื่องในทุกๆ ก, กรณีนี่เขาเรียกว่าอุมตาตะประการที่3อาวัฏฐานะ สับนี้ก็แปลว่าหลังจากได้รับพยากรณแล้วย่อมสมาทานอวัานาพุทธธรรมก็คือพยายามยังจิตของตนให้ประกอบไปด้วยอธิษฐานที่มั่นใจนะให้ความมั่นคงตรงซื่อไม่หวั่นไหวไม่คลอนแคลนในการสร้างพุทธบารมีอวัานะก็แปลอธิษฐา น, นธรรมถ้าตั้งใจว่าจะต้องเป็นพระพุทธเจ้าไม่ถอนเด็ดขาดแล้วมั่นคงปักดุดเสาเขื่อนที่มั่นคงใน อัธยาศายของการบวชเขาพวกเราเรามั่นคงไหมว่าในอัตภาพนี้จะไม่ถอดจีวรออกเด็ดขาดยกเว้นเขาถอดให้เรามั่นคงไหมมั่นคงเลยเลยโอ้ดียังเลยคือว่าไม่สึกเนี่ยตมาทานแข็งแรงมากก็คือ คือว่าบางคนก็เอาการบรรลุทำอย่างเงี้ยพระบตรศาสตร์ท่านไม่บรรลุท่านไม่หยุดอธิษฐานธรรมนี่แข็งแรงมากเขาเรียกว่าอาวตารนะก็คือมีความมั่นใจมั่นคงตรงซื่อมากในการที่จะไม่ให้วันไหวไม่คลอนแคลนือเจอปัญหาเจออุปสรรคใดๆจะไม่วันไหวเลยนะก็คือต้องบรรลุจุดหมายให้ได้อุมาอย่างนี้นะว่าถ้าในโลกใบนี้เต็มไปด้วยหอกเขาเอามีดเนี่ยเอาหอกปักไว้หมดเลยปักเต็มโลกใบนี้เลย แต่สัพปัญญตญาณอยู่อยู่อยู่อีกฝั่งนู้นเนี่ยเอยเดินเท้าเปล่าเหยียบดับ <c oughs> เ่าจะเหยียบเท้กี่ก้าวเนี่ยพอปุ๊บก้าวแรกบอกโอ้ไม่เอาแล้วใช่ไหมแต่ใจกล้าขนาดนั้นนะครับใจิตใจอาหารกล้าหารว่าเราจะเหยียบไปถึงเท้าจะทะลุทะลุทะลุทะลุไปเราจะไปเอาให้ได้จะไม่ถอนความตั้งใจยังเด็ด เดินไม่ได้ก็คานไว้ขนาดนั้นนี่นี่เขาเรียกว่าอาวัธฐานิตาจริยาก็คือว่าพยายามยังกิดของตนเองให้ประกอบไปด้วยเมตตานะครับมีความรากักความปรารถนาดีงี้เป็นต้นเนี่ยเนี่ยนี่ก็หิตาจริยานี่นี่แหละว่าคือฝ่ายพระพุทธเจ้านี่นะ พระทีปังกรนั้นประทับยืนอยู่ที่ศีรษะของสุมเม็ธาดาบทลืมพระเนตรทั้งสองอันสมบูรณ์ด้วยความผ่องใสในวันนะแล้วก็เหมือนกับเปิดสีหบัญชร น, นั่นแหละทอดพระเนตรเห็นสมเม็ธาดาบทนอนอยู่บนตมนั่นแหละตำริว่าดตำรีว่าดาบทเนี่ย บอกว่าทรงตำลีบอกว่าเวอร์ความปรารถนาของดาบดี้จะสําเร็จไหมเน้อ no. ท่านคิดอย่างงี้นะท่านก็ส่งอาณาคตังขยิษยานวิ่งไปข้างหน้าตรวจสอบดูท่านใคร่ควรดูแล้วท่านก็รู้ทันทีว่าอีกสี่สงขา ย, ยิ่งด้วยแสนกับดาบดนี้จะได้เป็นพระเจ้านามว่าโคตมะท่านรู้ทันทีแล้วพระองค์ประทับยืนอยู่นั่นแหละพยากรในท่ามกลางบริษัทว่าเธอทั้งหลาย เห็นดาบที่มีตะบ่ายอดเยี่ยมนี้ซึ่งนอนอยู่บนเปลือกตอมหรือไม่ภิกษุทั้งหลายก็กราบทูลว่าเห็นพระเจ้าค่าพระพุทธเจ้าทีปังกรก็ตรัสว่าดาบทนี้ที่นอนกระทำความปรารถนาอันยิ่งใหญ่ปรารถนาเป็นพระเจ้าเนี่ยความปรารถนาของเขาจักสำเร็จนับตั้งแต่นี้ไปเสียสงไข ย, ยิ่งด้วยแสนมหากับดาบดนี้จักเป็นพรเจ้ามีนามว่าโคตมะ ในอัตภาพนั้นของเธอพระนครที่เธอเกิดนั้นชื่อว่ากบิลพัทพระเทวีมีนามว่ามายาเป็นพระมารดาพระราชาทรงนามว่าสุธโธธนะเป็นพระราชบิดาพระเถระชื่อว่าอุปติสสะเป็นอัครส า, าวกองค์ที่หนึ่งพระเถระชื่อว่ากโกริตาเป็นอัครส า, าวกองค์ที่สองอุ ป, ปถากชื่อว่าพระอนนุ์พระเถรีชื่อว่าเขมาเป็นอัครส า, าวิกาองค์ที่หนึ่ง พระเถรีอุบลวานนาเป็นอัครสาวิกาองค์ที่สองเธอมียานแก่กล้าแล้วออกมหาวินเนศกรมตั้งความเพียรนันยิ่งใหญ่รับข้าวมาทปายาตที่โคนต้นไทรเสวยที่ฝั่งน้ำนิรันดลาแล้วขึ้นสู่ความเป็นผู้ตัดสู่แล้วจักได้ตัดสูุที่ต้นไม้อสัสสะสถพฤกพอพระพุทธเจ้าพยากรณ์อย่างนี้ปุบ๊บเอาที่ส ม, มทัทาาดเป็นไง โห่ย oh, hey. ปีติทั้งห้ารถแล่นมากเพราะพระดำรัสของพระพุทธเจ้าเนี่ยหนึ่งไม่เป็นสองพอพูดอย่างนี้ปุ๊บและโซเมทาดาบทได้ฟังคำพยากรณ์ปุ๊บก็เกิดสมมนัดขึ้นมาเลยวชื่นใจมากแล้วก็บอกว่าความปรารถนาของเราสำเร็จแล้วความปรารถนาของเราสาเร็จแล้วมหาชนได้ฟังพระดำรัดของพระพุทธเจ้าต่างก็พากันสาธุสาธุ โขดกล้องอะไรแนี้องคิดดูทั้งมนุษย์เทวดาทั้งหลายพากันสาธุเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นหน่อพุทธทางกูดเป็นหน่อของพระเจ้าน่มหมาชนก็พากันคิดว่าธรรมดาเนี่ยคนเมื่อจะข้ามแม่น้ำก็ไม่สามารถข้ามด้วยด้วยท่าโดยตรงก็ย่อมจะข้ามท่าอื่นแม้ชั้นใดถ้าพวกเราไม่สามารถตรอสู้ในพระพุทธเจ้าองค์นี้ ในอนาคตขอให้เราได้ตัดสู้ในพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปนี้เถอะตั้งความปรารถนานี้แต่เราจะเพียรพยายามให้เต็มที่นะที่จะตัดสู้ตามบุทธเาองค์นี้ให้ได้แต่ถ้าหลุดร้อยไปจากองค์นี้ขอให้เราได้มีโอกาสตัดสู้ในพระพุทธเจ้าพระโคตามะในองค์ต่อไปสงสัยเป็นพวกเราหรือเปล่า ไ, ไม่รู้เดี๋ยวพอใกล้จะตายเราก็คิดใหม่งั้นขอตัดสู้องค์ต่อไปคิดอย่างนี้ไหม เนี่ยแล้วในขณะนั้นนะนะพระทีปังกรเนี่ยพระทศพลแล้วก็สารเสริญพระโพธิสัตถ์ก็บูชาพระพุทธเจ้าได้ดอกไม้จากนั้นก็ทําประทักศิลนดูสิเนี่ยพระพุทธเจ้ายังทําประทักศิลนพระโพธิสัตถ์เลยเนะเวียนประทักศิล์และพระอาหารหันต์สี่แสนรูปก็ทําอย่างที่พระพุทธเจ้าทำํำพากันประทักศิลนพระโพธิสัตถ์เนี่ยสามรอบแล้วก็เดินจากไป ทำไมพระพุทธเจ้าพระทหานตสาวกทั้งหลายจึงทำประทักษิณพระโพธิสัตว์ทั้งๆ ท, ท, ที่ยังเป็นบุตรชนอยู่รู้ไหมเพราะท่านผู้นี้เป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนเขาประทักษิณพระพุท ธ, ธเจ้าเนนะโคตรตามเป็นพุทธะเกิดขึ้นแน่นอนแล้วยังไงยังไงก็ต้องได้เป็นในเวลาที่คนทั้งปวงหลีกไปแล้วตอนนั้นน่ะพระโพธิสัตว์ก็ลุกจากที่นอนลุกจากที่นอนแล้วตอนนี้ แล้วก็ตรวจดูนะบารมีทั้งหลายนั่งขัดสมาธิบนกองดอกไม้ปีติเกิดโอ้ปีติเกิดมากเกิดปีติมีพุทธเจ้ามีพระุทธคุณเป็นอารมณ์พิจารณาถึงที่ท่านนอนอยู่บนเปลือกตม้มอ่ะท่านก็คิดบอกว่าถ้าเรามาพิจารณาธรรมที่จะทําให้เป็นพุทธเจ้าท่านก็พิจารณาถึงบารมีแล้วแต่เนี้ย พิจารณาถึงทานบารมีศีลบารมีเนคขม้าเป็นต้นเหล่านี้ยท่านก็เริ่มพิจารณาถึงทานบารมีบอกว่าเออเริ่มพิจารณาบอกว่าสอนตนเองว่าท่านเริ่มพิจารณาว่าเอ๊บารมีมันอยู่ตรงไหนบารมีอยู่ทิศเหนือนทิศใ ต, ใ ต, ต้ตะวันออกตะวันตกทิศเบื้องบนเบื้องต่ําเบื้องล่างหรือเปล่าเนี่ยท่านก็พิจารณาเมื่อพิจารณาได้ปัญญาอันชอบแล้วเนี่ยก็ไม่เห็นว่าบารมีธรรมเหล่านั้นจะอยู่ไว้นอกอบารมีอยู่ที่ไหน ทานบารมีศีลบารมีเป็นต้นเหล่านี้มันอยู่ที่ไหนอยู่ที่ทิศเหนือใช่ไหมหรือทิศใต้ตะวันออกตะวันตกหรือทิศเบื้องต่ําหรือเบื้องสูงไม่ได้อยู่นอกตัวท่านมาพิจารณาว่ามาพิจารณาถึงว่าบารมีเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยอยู่ในกระแสชีวิตเรานี่แหละทานบารมีเป็นต้นก็คือตัวกุศลและเจตนาเป็นต้นเหล่านี้ใช่ไหมท่านก็สอนตอนเองว่าท่านจงบําเพ็ญ ท่านมาพิจารณาถึงว่าจงบำเพ็ญทานบารมีด้วยการบริจาคทรัพย์อย่างไม่เหลือทานบารมีเนี่ยทานอุ ป, ปบารมีด้วยการบริจาคอวัยวะทานนภัตธรรมบารมีด้วยการบริจาคชีวิตให้ควรยิ่งขึ้นไปว่าอันธรยริ่งกระทำไม่ตัดสโลเป็นพระเจ้าไม่พึงมีเท่านี้เห็น ไ, ไหมพอพิจารณาถึงทานแล้วไม่ใช่แค่ทานนบัตธรรีนะทีนี้แล้วก็พุท จรารณาพุตธกาลกธรรมต่อไปว่าเราค้นหาอยู่ก็ได้เห็นสีและบา ร, รมีเป็นข้อที่สองที่พระพพธิสัตว์ทั้งหลายในปางก่อนผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ได้หลบลมมาจึงเตือนตอนเองว่าท่านจงกินดียึดสีและบา ร, รมีข้อที่สองบำเพ็ญให้มั่นคงก่อนถ้าท่านปรารถนาจะบรรลุสัมมาสัมพุญาณท่านจงบำเพ็ญศีลบา ร, รมีเถิด จามารีย่อมรักษาย่อมยอมตายในที่ที่ค้นหาของตนเองติดอยู่ในที่บางแห่งไม่ยอมไม่ค้นหาเสียไปแม้ชั้นใดท่านจงบำเพ็ญศีลบรารมีในภูมิทั้ง4ี่ก็คือปาฏิโมกขสังวรศีลอินทรีสังวรศี ล, อ, ลอาชีวปฏิสุทธิศีลและปัจจะย ส, สัิสิตศีลเนี่ยรักษาศีลให้บริบูรณ์ในการทุกเมื่อดุจจามารีรักษาค้นหาฉะนั้นเนี่ยพอ ก, การพิจารณารักษาอย่างนี้ท่านพิจารณาด้วยตนเองนะ ด้วยกลังของญาณปัญญาตัวเองก็พิจารณาถึงทานนบัณมีศีลบารมีรรมเออระหว่างทานบรัณรมีกับศีลบารมีนี่บัณมีข้อไหนทําได้ยากกว่ากันศีลยากกว่าใช่ไหมทานทําง่ายไหมทานที่เป็นบา ร, รมีจริงๆทาง่ายหรือทํายากทานบัณมีกับทานอุปบัณมีเนี่ยเราเคยทํำไหมทานอุปบัณมี<ต>เคยได้ยังเคยให้อะไร อ๋อเคให้เลือดนหะแล้วเป็นหรืเปล่าดูตรงไหนว่าเป็นหรือไม่เป็นมีเจตนาอย่างมุ่งมั่นในการที่จะสละในการให้ไหมเสียดายไหมไม่เสียดายเลยใช่ไหมชื่นใจไหมในขณะที่ได้ให้เกิดในให้เลือดในขนาดนั้นถ้าตายลงในขนาดนั้นจะเสียใจไห ม, ไมเป็นขนาดนั้นเลยหรือโหน่าชื่นใจให้มากี่ครั้ง โอ้สาธุยี่สิบสี่ครับใครเคยให้ทานให้ให้ให้เลือดเป็นทานบ้างเนี่ยให้กับยุ้งวะหรือให้กับมนุษย์โอ้บางคนเป็นพระนี่แหละไปให้ไปให้เลือดพอไปถึงแล้วพอหมอตำดาเจาะแล้วเป็นลมเป็นกลัวจัดกลัวครับเป็นลม เห็นไหมทานทานบา ร, รมีจริงๆเนี่ยเราให้ได้ตลอดนะครับให้ได้ <c oughs> ตลอดก็น่าชื่นใจที่พวกเราได้มีจิตในการคิดให้ทีนี้อย่างที่บอกไว้ไงถ้าการให้ต้องเป็นจิตตะลังการะทานนะให้เพื่อประดับจิตตกแต่งจิตปรุงแต่งจิตเพื่อจะเข้าไปสู่ศีลก็คือพัฒนาในการที่จะสละในการที่จะพัฒนาไปสู่ศีลสมาธิปัญญาจริงๆนึ่นจะเป็นกลุมบา ร, รมีใช่ไหม คือในข้อที่สามท่านบอกว่าแต่พุทธกาลการรมไม่ได้มีเพียงเท่านี้เราจะค้นหาท่านก็ค้นหาเพื่อจะบ่มโพธิญาณต่อไปขั้นค้นหาอยู่ท่านก็เห็นเนคขมมะบา ร, รมีเป็นคำลบที่สามเนคขมมะเนี่ยศัพท์เนี่ยคือการออกบวชแต่เนคขมมะที่แท้จริงก็คือการน้อมจิตออกจากกามนะเช่นปฐมฌานก็เรียกว่าเนคขมมะ ใช้ได้ปฐมฌานเป็นต้นวิปัสนาญาณคือปัญญาที่เข้าไปรู้อันนี้จังทุกครั้งหน้าตาก็เรียกว่าเนขมมาคขมะกุศลที่น้อมออกจากกามทั้งหมดก็เรียกเนคขมะตัวเนคขมะที่แท้จริงหมายถึงพันิพา น, านก็คืนสภาวะที่ดับวัฏทุกนั่นแหละท่านกพิจารณาถึงว่าพระโพธิสัตว์ทั้งหลายในปางก่อนผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ได้อบรมสั่งสมเตือนตอนเองว่าท่านจงยึดเนคขมะบารมีข้อที่สามนี้บําเพ็ญให้มั่นคงก่อน ถ้าท่านปรารถนาจะบรโลสัมมาสัมพวิยาณ น, นะท่านจงบำเพ็ญเดชธรรมะบารมีเถิดคนที่ถูกขังอยู่ในเรือนจำได้รับทุกทรมานย่อมไม่เกิดความยินดีในเรือนจำนั้นแม้ชั้นใดแล้วก็คิดอยู่ตลอดเวลาจะหาช่องทางในการที่จะพ้นออกแม้ชั้นใดท่านจงเห็นพบทั้งปวงคือการมาพบรูปะพบและรูปะ พ, พบปรดุจในเรือนจำให้พิจารณาอย่างนั้นเออพวกเราเห็นอย่างนั้นไหม เห็นการเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรมหรือเกิดเป็นอบายศาตว์ในทุกๆอัตภาพมันก็คือการติดคุกเหมือนนกอยู่ในกรงขังสังเกตดูไหมมันเดินตลอดเวลาจท๊กแทกแท๊กแท๊กตลอดเวลามันหาหนทางในการที่อยากจะออกจากกรงขังอยู่ตลอดเวลาแม้ใชั้นใดเออคิดพิจารณาตลอดว่าเราจะออกจากชาติทุกชะลาทุกพยาทิทุกมรณะทุก์เราจะออกจากการเกิดแก่เจ็บตายเราจะไปถึงพระนิพพานให้ได้ เราจะไม่ไปเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นผมว่าการเกิดบ่อยๆมันเป็นทุกข์ล่ําไปคิดงี้ไหมแล้วก็น้อมในลักษณะอย่างนี้จริงๆเนี่ยบอกว่าจงมุ่งหน้าต่อนเนคขมะเพื่อหลุดพ้นจากภพฉันนั้นเถิดนี่ท่านเตือนตัวเองนี่นนเนคขมะแม้ทานบา ร, รมีศีลบา ร, รมีนเนคขมะพออย่างพุทธการะก็ธรรมอย่างถ้าพิจารณาอีกว่าแต่พุทธธรรมเนี่ย ธรรมที่จะทำให้ปเป็นพระเจ้าหรือพุทธกาลการรทำเนี่ยธรรที่จะบ่มพ่อให้เป็นพระเจ้าไม่ใช่เพียงแค่นี้ท่านก็คน้นค้นหาธรรมะที่เป็นเครื่องบ่มโพธิญาณอีกต่อไปการที่ค้นหาในที่นั้นท่านใช้โยนิโสมนัิการนะใช้ญาปณปัญญาในการวิจัยแยกแยะท่านคิดอดีตด้วยคิดปัจจุบันด้วยคิดอนาคต ด, ด้วยด้วยกําลังสมาบัติของท่านท่านก็เห็นการกระทําของพระโพธิสัตวในปางก่อนพระเจ้าและคําสอนพระเจ้าเป็นต้นเหล่านี้ ท่านกมบ่มพิจารณาแล้วก็บอกว่าเราค้นอยู่ก็ได้เห็นปัญญาบา ร, รมีเป็นข้อที่สี่ที่พระโิสัตว์ทั้งหลายในปางก่อนผู้แสวงหาคุณ น, นยิ่งใหญ่ได้อบรมสั่งสมมาก็เตือนตัวเองต่อไปบอกว่าท่านจงยึดปัญญาบา ร, รมีเนี่ยเป็นข้อที่สี่บำเพ็ญปัญญาบา ร, รมีนะให้มั่นคงถ้าท่านปรารถนาจะบรรลุโพธิญาณท่านจงบำเพ็ญปัญญาบา ร, รมีเถิดภิกษุเมื่อเที่ยวบินทบาทเป็นวัดไม่ได้เว้นเลย พวกเราบินธบาตทุกวันไหมทุกวันเลยใช่ไหมไปบินที่ไหนอ๋อไปบิน <c oughs> ถ, ถือถือว่าบินบินธบาตินะบางคนเนี่ยถือการบินธบาตเป็นวัดแล้วก็ไม่ถือด้วยนะว่าคนที่จะให้อาหารเป็นคนตระกูลต่ำตระกูลปานกลางหรือตระกูลชั้นสูงไม่เลือกเลยว่าจะชั้นต่ําชั้นกลางชั้นสูงย่อมได้อาหารพอยังอัตภาพให้เป็นไปแม้ชั้นใดท่าน เมื่อสอบถามคนมีความรู้ตลอดการทั้งปวงเนะอย่าไปเกี่ยงว่าคนที่เราจะไปสอบถามไปแสวงหาความรู้นั้นก็เป็นคนชั้นต่ำชั้นกลางหรือชั้นสูงไม่เลือกเฟ้นเลยจะเป็นขอทานก็ได้จะเป็นคนหักฟื้นขายก็ได้จะเป็นชาวนาจะเป็นกรรมกรเป็นต้นก็ได้จะเป็นพ่อค้าประชาชนจะเป็นเศรษฐีหมหาเศรษฐีิแม้เป็นราชาหมาราษ์ ถ้าบุคคลคนนั้นมีสติปัญญามีข้อมูลความรู้จงขวนขวายในการที่จะเข้าไปหาในการที่จะไปสแสวงหาข้อมูลความรู้โดยไม่หยุดหย่อนเหมือนพระถือการบินทบาดเป็นวัดช น, นั้นจงบำเพ็ญอย่างนั้นพวกเรากลุ่มนี้เราโอเคไหมบางคนชอบปัญญาไหมชอบปัญญาหรือชอบความเห็นต้องแยกในระหว่างความรู้กับความเห็นนะต้องแยกกันนะ เราเป็นกลุ่มชอบความรู้หรือชอบความเห็นชอบความรู้หรือความเห็น<ม>เวลาคนในสังคมไทยเนี่ยชอบแสดงความเห็นหรือชอบแสดงชอบแสวงความรู้เ<ม>นี่ยน่าเป็นห่วงสังคมไทยเราเนี่ย<ม>เขาบอกว่าเป็นสังคมที่ไม่ชอบอ่านมไม่ชอบศึกษาไม่ชอบคน้นคว้า แต่เป็นคนชอบแสดงความเห็นแต่ไม่ชอบแสวงหาความรู้อู้อันตรายมากเนะลยเราจะ ส, สังเกตได้นะเวลามีข่าวเรื่องอะไรเกิดขึ้นนะครับให้สังเกตอย่างนี้นะว่าเป็นเป็นกลุ่มแสวงปัญญาหรือแสวงหรือแสวงหาความรู้หรือชอบชอบแสดงความเห็นให้สังเกตดูว่าเวลามีการโฟกัสไปเรื่องอะไรก็จะไหลไปในเรื่องนั้นโดยขาดข้อมูลอย่างในยกเนี้ย ข่าวมันโฟกัสมานักบวชนะครับโอ้โหเข้าไปดูในเพจในเว็บในอะไรด่าพระกันสนุกปากเลยใช่ไหมครับไปที่ไหนพระโอโไม่สา่าพระเผยเลยตอนนีว้วัดวาลามต่างๆตอนนี้พระน้อยลงลน้อยลงไม่อยากอยู่กันแล้วก็ไม่อยากบวช ด, ด้วยเพราะคนมันด่ากันเยอะด่ากันเยอะมากเพราะอะไรรู้ไหมเขา โฟกัสไปในจุดไหนอ่ะแล้วก็เอาเรื่องเรื่องหนึ่งมาปนกับเรื่องหนึ่ง mm. มั่วหมดเล ย, ยแล้วทีนี้ฝ่ายนักบวชเราก็เครียดแต่เนี้ยเราก็ไปเสพอีกแทนที่จะใช้ปัญญาในการวิจัยแยกแยะควรจะแข็งแรงทางด้านข้อมูลความรู้เรากลับไปเสพแล้วเราก็เครียดวิตกกังวลกันอีกแต่เนี้ยมองเห็นไหมเพราะเราเป็นคนไม่แข็งแรงทางด้านด้านข้อมูลความรู้อันนี้เป็นสังคมที่น่าเป็นห่วงมาก เราไม่ชอบแสวงหาข้อมูลความรู้เวลามีข่าวอะไรตอนเนี้ไปกันหมดแล้วก็อย่างที่เล่าให้ฟังว่าเวลาช่วงเด็กติดอยู่ในถ้าเนี่ยพาไปเบญทาบาทยอมเครียดกันทั้งตลาดแหละโกรธเครียดแต่พอช่วยมาได้แต่ละคนก็พากันหลงระเริงกันอีกดีใจกันทั้งตลาดอย่างเงี้ยจะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยเป็นสังคมบูดวับนี่น่าเป็นห่วงนะสังคมแบบเนี้ยที่ไม่มีสติสัมพชัญญาในการกํากับในการ ระหว่างเสพกับศึกษาก็แยกไม่ออกพวกเราแยกออกไหมครับว่าอะไรคือเสพอะไรคือศึกษาเวลาเราดูข่าวเนี่ยเราดูเพื่อเสพหรือดูเพื่อศึกษาเสพหรือศึกษาถ้าเสพก็ชอบใจก็ไม่ชอบใจใช่ไหมหรือเฉยๆใช่ไหมถ้าศึกษาก็คือไปวิจัยแยกแยะว่ามันคืออะไรจริงหรือไม่จริงยังไงในข้อเท็จจริงยังไงก็มีความสุขในการที่เขาแสวงหาข้อมูลความรู้นะนี่เขาเรียกศึกษาเวลาดูละครเสพหรือศึกษา ไปดูลายดูข้อมูลทั้งหลายดยมากเสพการศึกษาไม่เรายังแยกไม่ออกนักบวชยังแยกระหว่างเสพกับศึกษาไม่ได้แล้วทั้งๆ ท, ที่พวกเราเนี่ยเป็นผู้คลองไตรศึกษาไตรไตรศึกษาใช่ไหมเป็นผู้ที่จะต้องศึกษาด้วยปัญญาด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาด้วยซ้ำไปมันเป็นเป็นหน้าที่ของพวกเราจะต้องศึกษาไนดะ้จริงๆแล้วแต่ทุกวันเนี้เราเสพเมื่อเราเสพเนี่ยปัญญาบา ร, รมีจะเกิดขึ้นยังไง เ, เมื่อปัญญาบารมีไม่เกิดเวลาคนจะมาถามใช่ไหมเหมือนผมเดิน<ๆ>เดินเดินไปมีพระรูปหนึ่งถามผมเรื่องอะไรนะไม่ว่าหลวงพี่โยงไหนถาม เ, เรื่องพระพุทธเจ้าว่ า, าศาสนาพราหมณ์าศาสนาฮินดูเนี่ยเขาว่าเป็นพันนารายอาวตารลงมาใช่ไหมอวตารลงมามาเกิดเป็นพระุทธเจ้าเขาบอกว่าเนี่ย เขาไม่รู้จะชี the main, the ้แจงยังไงตานเราอย่างเงี้ฟังที่ผมก็ฟังว่าเออคือท่านเขาโอ๊ยเนี่ยเป็นแบบเนี้ยเวลาเราไปอินเดียเราจะไปชี้แจงเขาได้ยังไงว่าจริงๆแล้วอ่ะข้อมูลตรงนี้เป็นข้อมูลผิดอะไรต่างๆห่าเนี่ยเ้าไม่เห็นต้องไปทุกใจอะไรผมก็เลยบอกข้อมูลข้อเท็จจริงมันมีอยู่อย่างไรแล้วก็บอกความรู้ใช่ไหมข้อมูลเป็นมาอย่างไรว่าหลักการที่ มาเขียนข้อมูลผิดเพี้ยนพวกคินดูหรือพวกพราหมณ์ที่เขียนข้อมูลผิดเพี้ยนมาตั้งแต่สมัยสังกาลาจารยเป็นผู้เขียนแล้วมันเป็นมาอย่างไรแล้วก็สืบค้นประวัติได้ด้ว่าจริงๆแล้วเป็นการเมคขึ้นมาว่าพระเจ้าเป็นพันนาลัยอวตารปรางหนึ่งของพันนาลัยในการอาวตารขึ้นมาสอนในเรื่องที่ผิดๆเหตุที่เขาทาอย่างนั้นขึ้นมาก็ เ, าเป็นการต้องการกลมกลืนกันต้องการที่จะดึงพุทธศาสนากศาศาสนาพราหมณ์ให้เข้า เป็นอันเดียวกันที่คนมึนมันงงนั่นเองใช่ไหมล่ะอันนั้นก็บ่งบอกถึงว่าเป็นการต่อสู้กันก็เป็นเรื่องปกติพพระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นมาให้สังเกตดูสิตอนที่พระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นมาตอนที่ได้ตัดสั้สัมมาสัมิทาเนี่ยพรหมเบรรัตนาใช่ไหมเท้าสามบดีพรหมเบรรัตนาถามว่าท้าสามบดีพรหมนี่เป็นใครมาอย่างไรคนในยุคนั้นเขานับถือใครบอกนับถือว่าพรหมเป็นผู้สร้างใช่ไหมเป็นผู้ดลบันดาล พร้มมาล่าธนาพระเจ้าเองเลยเนี่ยว่าพร้อมเนี่ยไม่ใช่เป็นผู้สร้างนะกับกลายเป็นสาวกของพระเจ้าเป็นพุทธบริษัทของหนึ่งในพุทธบริษัทสี่ของพระเจ้าด้วยพร้มก็อยู่ในฐานะเป็นอุบาสกแค่นั้นเองทีนี้แล้วพร้มนี่เป็นใครมาจากไหนก็ต้องสืบค้นประวัติอ๋อสมัยในศาสนาของพระเจ้าองค์ก่อนพร้มตัวเนี้ยเป็นภิกษุในพุทธศาสนาองค์ในในใ น, ในพุทธศาสนาในสมัย พ, ย พ, พุทธบังกรสมมาสมุทธยอยางนี้เป็นต้น ในสมัยพระพุทธเจ้าองค์ก่อนเนี่ยพรหมเนี่ยบวชเป็นภิกษุยังปฐมฌานได้ตั้งขึ้นแล้วต่อมาตายจากภิกษุนั้นก็ไปเกิดเป็นพรหมอยู่ในปฐมฌานภูมิเอย้ยแล้วต่อมาเนี่ยพระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นมาพรหมนี้ก็มารัทนาก็เป็นการชี้เห็นว่าจริงๆแล้วการไปเกิดเป็นพรหมเนี่ยพรหมนั้นไม่ใช่เป็นผู้ยิ่งใหญ่บุคคลที่จะไปเกิดเป็นพรหมได้ก็จะต้องดําเนินตามศีลสมาธิปัญญาโดยเฉพาะเจริญสมาธิ ยังปฐมฌานเป็นต้นให้ตั้งขึ้นมาฌานสมาบัติจะมีอยู่ตราบใดได้กุศลเจรนาในฌานสมาบัตินั้นก็เป็นปัจจัยทําให้ตนเองไปเกิดเป็นพรหมเห็นไหมช่องทางเดินการไปเกิดเป็นพรหมก็มีอยู่ที่พระเจ้ากรวางหลักแล้วก็สอนก็ว่าฉะนั้นพอพรหมไปประกาศตนเองแบบนี้แบบเสร็จปุ๊บเนี่ยสถานะของพรหมก็หมดในยุคนั้นว่าจริงๆแล้วพรหมไม่ใช่ผู้สร้างแตกรรม มนุษย์นั้นทําไปเกิดเป็นพรหมก็ได้ไปเกิดเป็นรูปพรหมก็ได้ไปเกิดเป็นเทวดาก็ได้ไปเกิดเป็นมนุษย์ก็ได้ไปเกิดเป็นอบายาสัตว์ก็ได้ก็อยู่ที่เจตนากรรมของเรา ส, สที่ทําไปอย่างนี้เป็นต้นถ้าเราชี้แจงอย่างนี้ก็ชัดใช่ไหมแล้วเก็อยู่ที่พวกเราแล้แลจะแสวงหาข้อมูลความรู้ยังไงที่จะต้องชี้แจงแบอกเขายังี네้เป็นต้นฉะนั้นในยุค ป, ปัจจุบันนี้ถ้าเราเข้าใจนะว่าปัญญาบารมีสําคัญมาก ในในยุคปัจจุบันนี้แล้วยุคข้อมูลข่าวสารอย่างนี้ด้วยแล้วเนี่ยเราก็จะต้องเป็นผู้ที่ขวนขวายในการที่แสวงหาปัญญากันให้ชัดใช่ล่ะยิ่งพุทธศาสนานี่ตอบโจทย์เลยทนะ้าพิสูจน์ทุกประเด็นทุกเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นภาคคำสอนและภาคการประพฤติปฏิบัติเราสามารถที่จะเข้ามาสืบค้นได้ทุกระดับแล้วก็พิสูจน์ได้ทุกขั้นตอนเลยอยนี้ตโอ้นี่กลับยิ่งเป็นดีใหญ่เลย เป็นอาหารอเนโอชาของปัญญาเลยนะครับในการที่คนที่ฝ่รู้ฝ่ศึกษาไฝ่เรียนฝ่สองสมข้อมูลเนี่ยควรจะมามาขนขวายในการที่จะมามาศึกษาเรียนรู้แั้นตรงนี้ก็เพียงแต่ว่าเราต้องทำเหมือนภาพบินธบาตเป็นวัดหาข้อมูลทุกเรื่องทีนี้ทุกวันนี้ข้อมูลมันสามารถจะสืบค้นได้แต่การสืบค้นก็ต้องไปพิจารณาดูด้วยนะบางที การที่เราไปสืบค้นเองอะไรเองโดยไม่มีครูบาอาจารย์คอยกำกับในการวิจัยแยกแยะให้บางทีก็เป็นจุดอีกจุดหนึ่งไปเรื่อเพิ่มทิศทีอย่างหนึ่งด้วยอันนี้ก็ต้องพยายามพยายามหากระรยานจะไม่ได้ดีทีนี้ประการต่อไปว่าแต่พุทธการลกฐธรรมเนี่ยธรรมที่จะเป็นพุทธเจ้าไม่ได้มีเหยิงเท่านี้ทัางแตค้นต่อไปนะค้นต่อไปก็คือเห็นเมื่อค้นอยู่ก็เลยเห็นวิริยะบารมีเป็นข้อที่ห้า ทีพระโพธิสัต์ทั้งหลายในปางก่อนแสวงหาคุณยิ่งใหญ่ได้อบรมสั่งสอนกันมาว่าท่านจงยึดวิริยาบา ร, รมี เ, เป็นข้อที่ห้าบำเพ็ญให้มั่นคงก่อนถ้าท่านปรารถนาจะบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณแล้วก็จงบำเพ็ญวิริยาบา ร, รมีเถิดราชสีพญาเนื้อที่มีความเพียรไม่ย่อหย่อนทั้งในขณะหมอบยืนและเดินประคองใจไว้ทุกเมื่อแม้ชั้นใดท่านจงประคองความเพียรให้มั่นคงทุกภพทุกชาติ บำเพ็ญบารมีไปเถิดแล้วจักบรรลุสัมมาสัมปวิทยานั้นได้นี่เป็นต้นเออลองสังเกตดูนะว่าทําไมท่านกล่าวทานบารมีเป็นเบื้องต้นแล้วก็ศีลบารมีเป็นข้อที่สองเนคขมะบารมีเป็นข้อที่สามปัญญาบารมีเป็นข้อที่สี่เวียบบารมีเป็นข้อที่ห้าเป็นต้นไป็นตามดับแล้วก็ขันติสัจจะไล่ไปทําไมทําอย่างนี้เพราะอะไรรู้ไหม เพราะทานบา ร, รมีเนี่ยทานบา ร, รมีเนี่ยเป็นข้อที่ทําได้ง่ายถ้าบุคคลให้ทานไม่เป็นแล้วบําเพ็ญทานไม่เป็นแล้วที่จะพัฒนาไปสู่ศีลบา ร, รมีนั้นไม่ใช่ฐานนะคือเป็นไปไม่ได้ฉะนั้นทีนี้การให้ทานทําทานบา ร, รมีทําไมมีศีลบา ร, รมีเป็นเครื่องกํากับไว้เพราะอะไรรู้ไหมทาน ทานของผู้มีศีลจึงจะมีผลมากมีอนิสงส์มากถ้าทานของผู้ทุศีลนมีผลน้อยมีอนิสงส์น้อยฉะนั้นทานบารมีจึงมีศีลบารมีเป็นที่เปิที่กำกับเป็นผู้กากับอยู่จึงจะมีผลมากมีอนิสงส์มากมองเห็นไหมฉะนั้นเวลาเราจะให้ทานเนี่ย เราจะต้องมาชำระศีลตัวตนเองให้ดีก่อนแล้วก็ให้ทานอย่างนี้เป็นต้นหรือให้ทานแก่ผู้มีศีลเนี่ยก็มีผลมากมีอริสง์มากฉะนั้นท่านจึงกล่าวทานบารมีก่อนแล้วศีลบารมีเป็นคำล็อกที่สองทีนี้ศีลบารมีเนี่ยทำไมต้องมีเนคขม่าบารมีเป็นกํากับไว้เพราะถ้าการบําเพ็ญศีลบารมีศีลบารมีของคนคลองเรือนของคนที่หมกมุ่นในกามกับศีลของคนที่ออกจากกาม ผลต่างกันไหมผลต่างกันมากนั้นศีลบารมีจึงมีเนคขมมะบารมีคือการออกจากกามจึงมีผลมากมีอนิสง์มากฉะนั้นศีลบารมีจึงมีเนคขมมะบารมีเป็นตัวกำกับไว้เป็นเป็นจุดหมายทีนี้เนคขมมะคือการออกบวชให้สังเกตดูไหมการออกบวชเป็นฤาษีคีภัยที่ขาดอะไรถ้าขาดปัญญามีอนิสงต่ำมีอนิสงน้อยแต่ถ้าศีลเนคขมมะบารมีต้องมีอะไรกำกับมีปัญญาบารมีเป็นตัวกำกับ ทีนี้ปัญญาบารมีต้องมีอะไรกํากับมีความเพียรมีวิิยาบารมีกํากับถ้ารู้แล้วเกียจค้านมีประโยชน์ไหถ้าไปขยันก่อนรู้ก็ยิ่งเสียหายใหญ่เห็นไมเขาจึงต้องมีปัญญาคอยกํากับอยู่และมีปัญญาเกิดก่อนเมื่อรู้แล้วจึงค่อยขยันเนี่ยวิทยาบารมีจึงตัวเป็นตัวกํากับอย่างนี้เป็นต้นแล้วต่อมาก็คือท่านก็พิจารณาบารมีที่ยิ่งยิ่งขึ้นไปนะ บอกว่าไม่ใช่เพียงเท่านี้ก็พิจารณาคันติบารมีเป็นข้อที่6กที่พระโพธิสัตว์ทั้งหลายในปางก่อนท่านกํามองว่าท่านจงยึดขันติบารมีในข้อที่6บําเพ็ญให้มั่นคงให้แน่วแน่ไม่เป็นสองในขันติบารมีจากบรรลุสมาสัมพทิญาณได้ธรรมดาแผ่นดินเนี่ยย่อมทนทานต่อสิ่งที่เขาทิ้งลงมาทั้งที่สะอาดและไม่สะอาดไม่มีความยินดีไม่ขัดเคืองแม้ชั้นใดท่านจงบําเพ็ญคันติบารมีอดทนต่อการยกย่องอดทนต่อการดูหมิ่น ของคนทั้งปวงแล้วก็บำเพ็นขันติบา ร, รมีเถิดแลวจะบรรลุสัมมาสัมปจนิยาณไอตัวขันติเนี่ยด้วยส่วนใหญ่เรานึดว่าอดทนแล้วโกรธได้ใช่ไหมครับแต่ที่จริงขันติเนี่ยก็แปลว่าการยอมรับได้ด้วยปัญญาก็หมายความว่าถ้าอดทนแปลว่าจะต้องมีปัญญาไปยอมรับทั้งดีและไม่ดีได้คือต้องขจัดความไม่โกรธเป็นการยอมรับได้ โดยการมีปัญญาไปพิจารณาเห็นความจริงของสิ่งทั้งหลายมันจึงยอมรับได้ไม่ใช่อดทนแบบไม่รู้เรื่องรู้ราวแล้วเป็นคันตินะขันตินั้นต้องมีปัญญาเป็นตัวกํากับอยู่ด้ว ย, ยนี้เป็นต้นแล้วข้อที่เจ็ดสัจจานะเมื่อพิจารณาไปท่านก็เห็นสัจจะบารมีเป็นข้อที่เจ็ที่พระโพธิสัตว์ในปางก่อนท่านทำท่านก็เตือนตนเองบอกว่าจงยึดคันติบารมีในข้อที่เจ็ดบำเพ็ญให้มั่นคง ท่านมีคำพูดที่แน่นอนไม่เป็นสองในสัจจบะบารมีจักบรรลุสมาสัมพทิยานเป็นต้นได้เนี่ยธรรมดาดาวประกายพึกดาวประกายพลึกนี่เป็นดาวนระเคราะห์ที่เที่ยงตรงในโลกพร้อมทั้งเทวโลกย่อมไม่เคลื่อนไปจากวิถีโคจรไม่ว่าฤดูร้อนฤดูหนาวฤดูฝนแม้ชั้นใดก็ให้ถือดาวประกายพึกนี่แหละเป็นเป็นข้อเปรียบเทียบ ท่านก็จงกระทําฉะนั้นเหมือนกันจงอย่าถอยกลับไปจากทางที่ถูกต้องที่มั่นคงในสัจจะทั้งหลายหนึ่งพูดจริงสองทำจริงสามก็จริงใจใช่ไหมพูดจริงทําจริงจริงใจเนี่ยเป็นสัจจะพวกเรามีไหมพูดพูดอะไรไปปุ๊บเนี่ยแล้วรักษาคําพูดไหมข้าพเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระพุทธเจ้าเนี่เป็นสัจจะไหมเป็นไม่เป็นยิ ง, งเป็นนะ ถ้าเราเป็นสัจจะบารมีก็ได้ไม่เป็นก็ได้ใช่ไหมพอได้พูดไปแล้วแล้วเราทำไหมทำจริงไหมแล้วมีความจริงใจต่อคาพูดนั้นไหมอย่างเงี้ยเป็นต้นมองเห็นไหมว่าจริงๆตัวเนี้ยมันเป็นบารมีนะครับถ้าเราพิจารณาสัจจะแล้วก็พิจารณาว่าเอ๊ะไม่ใช่มีอยู่เพียงแค่นี้ก็พิจารณาในคนต่อไปก็เจออธิษฐานบารมีในข้อที่แป ที่พระโพธิสัต์ทั้งหลายในปางก่อนท่านอบรมสั่งสมกันมาท่านก็เตือนบอกว่าท่านจงยึดอธิษฐานบารมีในข้อที่8ปดบำเพ็ญให้มั่นคงก่อนท่านเป็นผู้ไม่หวั่นไหวในอธิษฐานบารมีแล้วจากบรรลุสมาสัมปทิญานเนี่ยผู้ผาหินศิลาล้วนไม่หวั่นไหวตั้งมั่นไม่สะเทือนเพราะแรงลมตั้งมั่นอยู่ในที่เดิมแม้ฉันใดลมพัดมาทุกทิศก็ไม่สะเทือนต้ททานไม่หวั่นไหวนะผู้ผาหินเนี่ย ท่านก็ฉันนั้นเหมือนการจงเป็นผู้ไม่หวั่นไหวในอธิฐานบัลลัทุกเมื่อเมื่อเป็นอธิฐานบา ร, รมีแล้วจะบรรลุสัมมาสัมพุทธญาณได้คําว่าอธิฐานเนี่ยเช่นการให้ทานก็ต้องมีอธิฐานบา ร, รมีเป็นตัวกํากับรักษาศีลบําเพ็ญเนกขมมาปัญญาวิรยิยะคติสัจจะเป็นต้นเหล่านี้มีอธิษฐานนธรรมเนี่ยเป็นตัวกํากับเขาไว้ว่ามีพระนิพพา น, เ ป, นเป็นจุดหมายถ้าไม่บรรลุสัมมาสัมพุทธญาณก็จะไม่ถอน ตั้งใจกรณีแบบนี้นี่ก็เรียกอธิษฐานบา ร, รมียากไหมให้สังเกตดูนะว่าตัวปัญญาบา ร, รมีก็มีตัววิริยะบา ร, รมีกํากับถ้าอย่างนั้นก็จะแค่รู้ก็ไม่เพียรวิริยะบา ร, รมีก็มีสัจจะใช่ไหมต้องมีสัจจะเดี๋ยมีมีขันติบางครั้งเพียรแล้วไม่อดทนมันก็โกรธนะมนุษย์เราเนี่ยฉะนั้นต้องมีขันติเนี่ย ตัวขันติมันมี2 ส, ส่วนนีทนแบบตั้งรับกับทนแบบบุกฝ่าใช่ไหมครับฉะนั้นไอ้ตัวขันติเป็นตัวกำกับทําให้ความเพียนนั้นด้วยสภาพจิตที่เยือกเย็นความเกล้ากล้าอาถารเนี่ยทีนี้ขันติก็ต้องมีสัจจะ ก, ก็ต้องมีการพูดจริงทําจริงและจริงใจเป็นตัวกำกับไว้สัจจะที่พูดไปแล้วทําไปแล้วจริงใจแล้วก็ต้องมีความมั่นคงว่าถ้าไม่บรรลุจุดที่ตั้งใจไว้ที่จะพูดไว้ก็จะไม่ถอนเด็ดขาด ตอนนี้ไอตัวอธิษฐานนะบา ร, รมีต้องมีอะไรกํากับมีเมตตาครับมีเมตตาเป็นตัวกํากับเพราะอะไรเพราะถ้าอธิษฐานไว้แล้วนะถ้าจิตใจมันร้อนลุ่มเนี่ยจิตใจไม่เปิดกว้างใจไม่ดีทั้งหลายเหล่านี้ยมันก็จะไม่เกิดความสุขในการบําเพ็ญบา ร, รมีทั้งหลายเป็นต้นดังนั้นก็ต้องมีความรากักความป ร, ราถนาดีความเอือ้ออาทรแก่สัตว์ทั้งหลายเทนี้ถ้าเมตตาดําเนินไปจริงอยู่เนี่ยถ้าไม่มีอุเบกขาเป็นคอยปรับตุนยภาพเสียเลยนะครับ นั้นบารมีที่สําคัญที่สุดบริการไปข้อไหนอุเบกขาเนี่ยเป็นตัวปรับดุนยภาพการที่จะได้สมมาตาได้ดุนยภาพได้มัชิมาปฏิปทาได้ความสมดุลได้ได้สมมาตาได้ได้มัชิมาปฏิปท า, าไ ด, ไ ด, าได้ตัวโอเบกขาบารมีนี่แหละสาคัญที่สุดเป็นตัวจุดศูนย์รวมของบารมีทั้งหลายจะมีการปรับคุณธรรมทั้งหลายให้ได้ดุนยภาพไม่ว่าจะเป็นการปรับศรัทธากับปัญญาให้ดุนยภาพกันวุริยะกับสมาธิให้ได้ดุนยภาพกันเป็นต้น หรือปรับเมตตากรุณามุฎิตาอุเบกขาเนี่ยถ้างั้นมันก็จะเป็นแค่ความรู้สึกใช่ไหมกุ่มเมตตากรุณามุฎิตามันด้านความรู้สึกอุเบกขามปนด้านความรู้นี่ฉันจะต้องมีการปรับไอตัวอุเบกขานี่แหละการที่จิตจะลงตัวได้จะปรับดุลยภาพได้ก็อยู่ตรงที่อุเบกขาอย่างนี้เป็นต้นสรุปแล้วก็คือในด้านของการบําเพ็ญบา ร, รมีเนี่ยพระโพธิสัตว์ท่านก็คิดคน้น พุทธาการะคธามอย่างเนี้ยทีนี้ในพอคิดเบ็ดเสร็จแล้วท่านก็หมุนหมุนบารมีหมุนฐานบารมีศีลบารมีเนคขมารปัญญาวิริยะขันติสัจจะทิฏฐานเมตาเวขาหมุนความคิดเนี่ยทั้งอนุโลมปฏิโลมโอ้โหภายในกระแสะความคิดของของพระบริษัทก็หมุนอย่างรวดเร็วด้วยสติ ป, ปัญญาของท่านก็ทําดินน้ําไฟลมทั้งหลายเหล่านี้ในในใ น, ใ น, ใ, นในการจักายนั้นน่ะให้มีการ เขาเรียกว่าหวั่นไหวจากดินน้ำไฟลมไปในหวั่นไหวก็มากระทบอากาศข้างนอกคือดินน้ำไฟลมทั้งหลายมีการกระทบกันเป็นคลื่นเป็นระยะก็เลยกิตแต่ชื้อโรคมีพลังขนาดนั้นนะครับคิดด้วยกําลังของสมาบัติก็มากระทบขึ้นข้างนอกเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยพิจารณาตรงนี้จนพระทเจ้าพยากรณ์บอกว่าไม่ได้เป็นอันตรายใดๆแต่เป็นการที่พระโพธิษัตว์เนี่ยท่านกําลังคิดพิจารณาบารมีทั้งหลายทบทวนบารมีทั้งหลายเหล่านี้ก็เกิดภาวะแผ่นดินไหวนี้ไปต้น มีใครจะถามปัญหาไหมกายจะหมดเวลาช่งชาวงเช้าขออนุมุนาเจริญบมเป็นบารมีมาสิบหกอสองไขยใช่คิดอยู่ในใจ 7, เจ็ดแงวาจามาเก้ารวมเป็นสิบหกแล้วก็มากายกับวาจาก็คือได้รับพยากรจากพระทีบังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเนี่ยอีกสี่อสองไขยยิงโดยแสนกับ อันนี้เป็นการบำเพ็ญบารมีจริงๆถ้าเราไปดูในคำพีพุทธวงศ์เจริยาปีตกก็เริ่มนับตั้งแต่นี้แหละนับตั้งแต่สุมเมธาดาบทที่ได้รับพุทธพยากรณ์จากพระทีบังกรสมมาสมพุทธเจ้าเป็นต้นไปไล่ไปตามลำดับไปอันนี้อีกอสี่สงไขอีกแสนกับนี่แหละนะนี่คือคือเราศึกษาในเรื่องของอดีตในการบาเพ็ญบารมีกว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าของพุทธเจ้าเราก็จะได้เห็น ว่าบารมีแต่ละข้อแต่ละอย่างนั้นมันเกิดจากความรู้ความเข้าใจจริงๆไม่ได้บําเป็นบารมีแบบไม่รู้ไม่เข้าใจไม่ให้ทําแบบมั่วๆเลยทํามาด้วยเหตุและผลนี่เป็นต้นมีใครจะถามเลยอ๋ออออเออมีถามดีมีพระเอาโลกติเกศวนเจ้าแม่กวนอิมใช่ไหมแล้วก็ใครกันฮะ ถามว่าพระแม่เจ้าแม่กวนอิมเนี่ยเป็นพระโพธิสัตว์ไหมเป็นของมหายานแต่ไม่ใช่ของเถรวาสเพราะหลักการในการที่จะเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยได้รับพุทธยากรเนี่ยต้องไม่เป็นสตรีใช่ไหมต้องถึงพร้อมได้เพศเพศบุรุษเท่านั้นอย่างนี้เป็นต้นเออท้งนี้ทีนี้มายังไงล่ะเออพวกเราต้องแสวงหาข้อมูลความรู้กันนะแบบเนี้ยงั้นเจ้าแม่กวนอิมเนี่ยมายังไง พุทธศาสนาเนี่ยเดิมทีเดียวก็ไม่มีการแยกแต่ต่อมาด้วยทัศนะความเห็นนี่ไหมเมื่อพุทธศาสนาร่วงการมาหลังจากพุทธเจ้าปณิพานแล้วเนี่ยสองร้อยปีสามร้อยปีมาก็ยังไม่ได้มีเหตุอะไรแต่ก็เริ่มและเริ่มมีเขายิงเขาโคง้งการแยกมีตั้งแต่แรกเริ่มแล้วครับหลังพุทธปณิธานสามเดือนตอนนั้นพระหมหากรตศพร้อมด้วยภิกษุสงห้าร้อยรูปทา พรปฐมสังคขยาการที่ทำสั ต, ตบรญญคูหาภูเขาเวพารบันพศหลังจากพุทธปรินิพานแล้วสามเดือนใช่ไหมครับตอนที่พระเจ้าอาชาตศัตรูเป็นศาสนูปถัมภคเนี่ทํากันอยู่สามเดือนรวบรวมร้อยกองปฐมวินยัยที่เรียกว่าพรปฐมสังคขยาพอทําเสร็จแล้วตอนไอกรก่อนอ น, นั้นนะท่านคัดเอาภิกษุห้าร้อยรูปห้าร้อยรูปหลังจากการที่พุทธปรินิพานแล้วยี่สิบเอ็ดวันใช่ไหม 21สิบเอดวันเนี่ยพระมหากระสบก็ประชุมภิกษุสงฆ์เจ็ดแสนรูปเจ็ดแสนรูปที่เป็นสังฆเถระนะครับไม่ใช่ประชุมทั้งหมดเพราะจำนวนพระที่ไปในงานปนณิธานของพระริญาาเป็นหลักล้านสังฆเถระเจ็ดแสนรูปรูปหนึ่งก็มีสัตวทวิหาริกตั้งแต่ห้าร้อยลงมาก็ว่าไปเยอะมากงั้นเป็นหลักล้านภิกษุนีไม่นับก็ไปกันหมด แต่คัดเอาจาก7 0 0 0แสนรูปเนี่ยเอา5้าร้อยรูปหนึ่งในนั้นมีพระนนท์ด้วยตอนนั้นพระนนท์ยังเป็นพระโสดา บ, บันอยู่ยังไม่รู้เป็นพระหลานเลยใช่ไหมครับแล้วต่อมาหลังจากประชุมเสร็จก็บอกให้กลับไปที่วัดในที่อยู่และเบ็ดเศรจก็นัดไปเจอกันที่กรุงราชครึก่ก่อนเข้าพรรษาตอนนั้นก็มีการซ่อมแซมบุรณาวัดตอนนั้นวัดล้างเยอะมากเพราะภิกษุ สงทั้งหลายก็พากันทิ้งวัดวัดเชตาวันวัดเวรุวันทั้งหลายเลยนี่แทบจะล้างหมดแหละเพราะว่าพระไม่อยู่วัดกันแล้วพากันจาริกจากหัวเมืองต่างๆตามที่ต่างๆเพื่อจะมากันที่กุศินาราใช่ไหมมางานปุทธิพานพุทธยาพุทธิพานก็มาไปชุมเงินหยาดนั้นพอกลับไปในวัดก็แทบล้างอนยุคนั้นแม้แต่วัดเชตาวันกลับไปนั้นก็แทบล้าง พานนกลับไปพาสัตย์ที่วิหาริกไปก็ยังไปบูรณะไปดูแลทีนี้หลังจากนั้นก็กลับมาประชุมกันที่กรุงราชเครื่องเนี่ยห้าร้อยลูกก็ให้พระที่ไม่ได้ถูกคัดเลือกนั้นออกนอกเมืองทั้งหมดก็มีการบูรณะวัด18วัดในยุคนั้นพระเจ้าชาติตัววัด18วัดในยุคสมัยค้าวุการมีวัดอะไรบ้างอวัดเวรุวันนี่เป็นวัดจุดวัดใหญ่เลยใช่ไหมครับเวรุวันมหาวิหาร ชีวกะอัมพวันมหาวิหารใช่ไหมแล้วก็มัทกุจฉิมิกทายวันสถานที่ที่นางแม่ของพระเจ้าชาติตูเอาท้องไปกระแทกหินก็เป็นวัดนะต่อมาที่ตรงนั้นก็เป็นวัดแล้วก็ถ้าสัตบัญญัติครูหามหาวิหารแล้วก็คิจกูเตมหาวิหารเป็นวัดทั้งนั้นนะกลุ่มเนี้แล้วก็ที่สโปธารามหาวิหารสัตบัญญัติครูหามหาวิหารเป็นระดับมหาวิหารนะ วัดใหญ่ๆทั้งนั้นแหละครับนารันธามหาวิหารทั้งหมดเลยสบแปดวัดในยุคนั้นเนยพระเจ้าอชาติโต้กบุรณะเพื่อให้เป็นที่อยู่พระสงฆ์แล้วห้าร้อยรูปที่ไปที่ถ้าสัตบัรญคูหานอกนั้นก็อยู่นอกเมืองคัดคัดเอาสังกะเถระใช่ไหมเอาพระที่ชํานาญแตกฉานที่สุดแล้วเก่งที่สุดส่งตัวแทนมาว่างนันจะมาประชุมทั้งหมดไม่ได้ใช่ไหมครับน่าจะทํากันอยู่สมเดือนพอทําเสร็จ นี้พอทำเสร็จแล้วก็แจ้งข่าวให้ทราบตอนนั้นมีพระที่มาจากทางใต้ของอินเดียชื่อว่าท่านพระปุราณนะมีสัตธิวิหาริ็กห้าร้อยจาริกมาทีหลังหลังจากออกพรรษาแล้วพระมหากระสอก็เลยไปแจ้งว่าสงฆ์ได้ทำระธถรมงคงขายนากันแล้วออท่านพระปุราณะก็บอกว่ากดนดีนด้วยครับ ฝ่ายผมเองผมก็จะถือตามที่ผมได้ยินได้ฟังมาจากพวกผู้มีพระเจ้ามีเริ่มมีแนวโน้มแล้วนเนี้ยเข้าใจยังเนี่ยแค่เริ่มแรกสามเดือนเริ่มมีแนวโน้มขนานี้ระระพระละหันนะท่านก็จะประพฤติตามปฏิบัติปฏิบัติตามตามที่ท่านได้ยินได้ฟังมาท่านได้ยินได้ฟังมาอย่างไรท่านก็จะกระทาอย่างนั้นวะงั้ก็ก็โมทนากันด้วยกับสง์ที่ทําสังขาน า, า, น า, าในการร้อยกองพระธรรมวินัยกันในการยุคนั้นกับยุคําบุคบาร์ถัเนี่ยเนี้ยมันเริ่มมีรอยร้าวนิดนิด ถ้าไปสืบค้นในคำภี์ของกลุ่มมหายานเราก็จะเห็นอะไรได้เนี่ยพระปุราณะนี่เป็นใครเนี่ยก็เริ่มมีการแตกแตกด้านความเห็นทางด้านพระธรรมวินัยกันอันนั้นก็ยังลองร้อยไม่ชัดแต่มันเป็นจุดพอมาหลังพุทธปฏิเนพานร้อยปีอเริ่มแล้วกลุ่มวัชีเกิดขึ้นมาใช่ไหมครับร้อยปีสองรอยปีสามร้อยปียุ่งยุคพระเจ้าโศกอันนี้อรชีปลอมบวชเยอะเลยไดเนี่ยเนี่ยมันก็เริ่มมีมาจนห้าร้อยปีหกร้อปีจนในส่วนจริงก็เกิดจริงๆริมหายาณมหายานเกิดยังไงได้เนี่ย จริงๆถามว่าเราเนี่ยทีแรกจริงๆมหายานเรียกพวกเรากลุ่มสายเราว่าเป็นหินญาญใช่ไหมพอไปไปมามาเรากว่าจะรู้ตัวเฮ้ยเราไม่ยอมรับนี่ว่าเขามาหินะนี่ไปว่าเลวไปว่าลามกบ้างไปว่าต่ําบ้างอะไรเนี่ยเราก็ไม่ยอมรับไปไปมาเขาก็เลยให้เรียกเราเป็นเถรรวาสเราก็ไปยอมรับว่าเป็นเถรวาสจริงๆอ่ะเราไม่เคยไปสถาปนาตัวเราเองนะว่าเราเป็นเถรรวาสหรือเป็นหินญาญเป็นอะไรเนี่ยแต่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งแยกไปก็กลับมาเรียกพวกเราแล้วเราก็ไปยอมรับทีหลังเข้าใจยัง หลักการจริงๆมันเป็นแบบนี้เหมือนคําว่าธรรมยศมหานิกายนี่แหละเราก็ไม่ได้ไปแยกนะธรรมยุศเนี่ยว่างนั้นเจอประธรรมยศแยกไปพวกกัเลยมาเรียกเราเป็นมหานิกายไปไปมาแล้วก็เลยยอมจำนนเป็นมหานิกายอย่างนี้ไปต้นเขยายอย่างหลักการจริงๆก็คณะสงฆ์ไทยเรานี่แหละครับนี่มาแยกออกไปเพราแยกไปก็มาเรียกกันไปเรียกกันมาอันนี้นี่ก็ต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนนี่หลักการตรงนี้ทีนี้เอาละแต่เนี้ยพูดถึงเรื่องของของเจ้าแม่วัดยิม ถามว่าจริงๆเจ้าแม่กวนอิมเนี่ยเกิดขึ้นยังไงที่จริงแต่ก่อนเนี่ยไม่ใช่เจ้าแม่กวนอิมหละกวนอิมจริงๆเนี่ยเป็นผู้ชายใช่ไหมลองเป็นชายกวนเป็ น, เ ป, นเป็นผู้ชายนี่แหละตามประวัติก็ว่าตอบตอนที่ไปที่จีนนี่แหละมีลูกสาวของเจ้าปิดินกรุงจีนเนี่ยเกิดป่วยขึ้นมาเอาอะไรจีพระโพธิสตร์ของกลุ่มมหายาณเ้านี่แหละ ก็เลยจะไปรักษานี่เป็นผู้ชายไปรักษาไม่ได้ก็เลยแปลงกายเป็นผู้หญิงใช่ไหมแปลงกายเป็นผู้หญิงก็ไปรักษาก็เลยเป็นหญิงมาตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นไปก็เลยเนี่ยเขาเรียกเจ้าแม่วันนี้วย่งี้แล้วก็ต้องรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่มีพระเอาโลติเกสวนวัชราปานีพระมันชูศรีพระมันชุสาจนถึงอุนีมโพธิศัสตร์เนี่ยที่าสร้างเพื่ออะไรคือมารยาหลังเนี่ยพททั้งฝ่ายชินดูเขามีตัวนําเสนอขึ้นมาเยอะนี่ ฮินดูหลังจากพระพรหมเสื่อมอํานาจไปเขาก็เริ่มสถาปนาพระศิวะพระอีศวรใช่ไหมพระวิษณุพระนารายณ์ขึ้นมามองเห็นนี่ยังเอาไปไปม า, มาอย่างนี้มันมีตัวตนมันจับต้องได้ทั้งมหายานก็เลยสร้างสร้างขึ้นมาร้องขอได้เหมือนกันก็สร้างนี่แหละสร้างกลุ่มเกี่ยวในเรื่องของอวโลกสีสวรนี่แหละบรรดาพระมัญชุสามัญชูศรีแล้วกวดอินโพธิสัตว์ขึ้นมา สร้างขึ้นมาเพื่อจะได้ให้มีฤทธิ์เข้าไปก็เพื่อไปขอให้ประชาชนมันเข้าถึงได้ง่ายเขาใจอย่างเวลาเข้าไปพบไปกราบไปบูชาก็ไปขอรอผลดลบรรดาเนี่เห็นไหมพระโพธิสัตว์ของมหายานกับพระโพธิสัตว์ของเทราวาสมีต่างกันนะถ้าเร า, เาถามว่าต่างกันตรงไหนคติของมหายานคือพระโพธิสัตว์เขามีฤทธิ์มีอานุภาพมีอำนาจสามารถไปร้องขอ ให้ประสบความสําเร็จได้โดยตัวเองไม่ต้องไปขนขวายอะไรแต่คติของเราคติของเถราวาดคนละเรื่องคนละเรื่องคือว่าเราดูจริยาวัดของพระโพธิสัตว์อะไรที่พระโพธิสัตว์ทาผิดอะไรที่โ พ, พธิสัตว์ทาถูกไอทำผิดเราไม่ต้องทำํำไอทําถูกเราก็ทําตามเราเอาจริยาวัดเอาการบําเพ็ญทานบา ร, รมีศีลเนคขมาปัญญาวิริยะขันติสจา่าอธิษฐานเมตตาเบขาของท่านมาเป็นมาเป็นบทศึกษา มาเป็นข้อเปรียบเทียบว่าเราเจอปัญหาเจออุปสรรคใดๆแล้วเราจะได้คิดถึงท่านพอคิดถึงท่านปุบ๊บโอ้โหความทุกข์ของเราเปัญหาของเราเรื่องเล็กน้อยเลยท่านสามารถฟันฝ่าปัญหาอุปสรรคได้เราก็ได้กำลังใจได้แบบอย่างได้ตัวอย่างในการที่จะเรียนรู้ในการจะฝึกฝนพัฒนาตัวเอ ง, ของเข้าใจอย่างฉันคนละอย่างกันนะของเราเรียนรู้จริยาวัดต้องโพธิสัตว์เนี่ยเพื่อฝึกฝนพัฒนาตามแต่ของมหายานเรียนเข้าไปหาพระโพธิสัตว์เพื่อให้ท่านช่วย แล้วก็บอกว่าพันมือบ้างสองพันมือก็ว่าไปใช่ไหมท่านสามารถดนบรรดาลได้อะไรได้อย่างเงี้ยมันก็เลยไม่ต่างอะไรกับคริสต์อิสลามซิกอะไรก็ว่าไปฉะนั้นเนี่ยต้องแยกให้ขาดเราในฐานะที่จะเป็นว่าธรรมทูตเนี่ยอย่นี้ตรงนี้ต้องชัดด้านปัญญาต้องแข็งแรงก็ต้องชี้แจงเขาให้ให้ชัดเจนว่าโอ้โหเป็นอย่างนี้เองว่าเราเรียนรู้พระโพธิสัต์อ่าเหมือนอย่างเงี้แล้วพระโพธิสัตว์เนี่พระไหว้ได้หรือไม่ได้ได้ไหมครับ เราเป็นนักบวชล้วไหว้พระโพธิสัต์ได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมพราะโพธิสัต์ที่เป็นฆราวาสและศีลสิกขาบวชก็น้อยกว่านักบวชเนี่ยเป็นต้นเอก็ต้องรู้แต่ในคุณธรรมท่านก็ว่าไปแต่หลักจะไปไหว้เนี่ยไม่ได้ น, น, นี่นี่ก็ต้องเข้าใจให้ชัดอย่างเ okay. งี้องอยอโอเคอ๋อแล้วอย่างนี้อพระโพธิสัต์ยังละ ก, กิเลสไม่ได้เลย นะยังละไม่ได้เลยส่วนพระโสดาบานันทันละสักยะทิฏฐิวิจิกิจฉาสีรพตปรามาสังโยชน์นละได้ไปสามแล้วนะละได้ไปสแล้วก็พระโพธิสัตว์นั้นตายแล้วยังมีโอกาสตกนรกได้ยังเป็นสัตว์เดรัจฉานได้แต่พระโสดาบันเนี่ยเป็นอภัยยักษขมณียะก็คือไม่ลงอบัยยพุ่แล้วไม่ไปเกิดเป็นสัตว์นรกไม่ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่เกิดเป็นเปรตไม่เกิดเป็นสุรกายแล้วก็จะเกิดใหม่อีกไม่ไม่มีภพที่8ปดครับ พระสวสดาบาลเนี่ยท่านเป็นพระดยบุคคลนั้นถ้าพูดถึงในด้านของการที่ว่าท่านปิดท่านปิดอบายภพได้หมดเบิดเสร็จแล้วท่านก็จะเป็นพระรหารได้ภายไม่เกินไม่เกินเจดชาตินี้เป็นต้นทีนี้ประเด็นมันก็อยู่ว่าให้สังเกตดูว่าตอนที่พระโพธิสัตว์ของเราเนี่ยประสูดครั้งแรกที่ลุมบินีวันเนี่ยตอนนั้นน่ะเท้ามหาพรมในพรมสุดทาวาสเลยมาถือตะข่ายทองคารองรับนะครับ เออนั่นเป็นพระอนาคาเนอะทําไมพระอนาคาจึงมารับใช้ท่านมองนี่พูดถึงด้านคุณธรรมคนละเรื่องกันเลยนะการที่ท่านบําเพ็ญบา ร, รมีมาอย่าลืมว่าถ้าท่านจะตัดสรู้เป็นพระอรหันต์ท่านสามารถเป็นพระอรหันต์ได้ก่อนตั้งแต่สมัยที่พบพระธีปังกรสัมมาสัมพิยา่าตอนเป็นสุเมธาดาบทนี่แหละในสุเมธาบัณฑิตเนี่ยท่านเป็นได้ทันทีแต่การที่ท่านบําเพ็ญคุณธรม ร, รมบารมีจนเปรียมล้นจนเป็นพบสุดท้ายแล้ว นั้นพาละหันถ้าพูดถึงคุณธรรมแล้วเนี่ยคนละเรื่องกันแต่เพียงว่าท่านยังละกิเลสไม่ได้อันนี้นี่แยกกันนี่ออกแยกให้ขาดแต่ถ้าพูดถึงบุคคลที่ปลอดภัยแล้วเนี่ยอ่าพระโสดาบันเป็นต้นเหล่นี้ท่านละกิเลสได้ท่านอาจจะมีข้อมูลความรู้ความชาญฉลาดวัตถุ ด, ดิบข้อมูลทั้งหลายที่สั่งสมมาน้อยกว่ามากพระโสดาบันนะน้อยกว่าพระโพธิสัตว์ในชาติสุดท้ายอย่างมากหาเทียบไม่ได้ แม้พระทหารเป็นล้านล้านองก็สู้สู้พราะโพธิสัตว์องค์เดียวไม่ได้ทั้งด้านถึงข้อมูลความรู้คุณธรรมเนืแต่ด้านการกิเลสเนี่ยพระโพธิสัต์ยังตกนรกอยู่นะครับยังตกนรกอยู่ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่นะเนี่ยคําว่าตกนรกแปลว่าท่านไม่ลงอเวจีแต่การเป็นเปรตบางกลมท่านยังเป็นได้อยู่หรือเป็นนาคในเป็นพญานาคยังเป็นได้อยู่เนี่ยใช่ไหมเหมือนจำปัยยาการนาคคราชเนี่ยเป็นต้นอะไรเนี้ยท่านก็ยังเป็นพญานาคหรือเป็นพญาช้างจัดทัน เป็นพญากระต่ายเงี้ยเป็นนกคมเงี้ยยังเป็นได้อยู่เป็นพญาปลาช่อนเงี้ยนะยังเป็นได้เยอะเลยอ่ะเป็นเสือก็เป็นเป็นสิงโตก็เป็นเงี้ยกลุมอบียศัตร์ยังเป็นอยู่เลยแต่ถ้าเป็นพระโสดาบันนี่ไม่เป็นแล้วครับดับได้เลยนะไม่เป็นไม่ลงอบียภูมินี่คือความต่างฉะนั้นถ้าพูดถึงด้านของคุณธรรมมากน้อยพระบริษัทที่ได้รับพยากรณ์แล้วมากแน่นอนแต่ถ้าถามบอกว่าปลอดภัยแน่นอนไม่ลงอเบียภูมิก็เป็นพระโสดาบันในพระโสดาบัน มีคุณธรรมคุณธรรมที่ท่านมีปัญญาสามารถละกิเลสได้แล้วก็แต่ท่านพ้นทุกพ้นทุกชั่วตัวท่านได้ใช่ไหมแต่แต่การที่จะค้นขวายช่วยบุคคลอื่นให้พ้นทุกเนี่ยอันนี้ต้องความสามารถของระดับคนที่บําเพ็ญบา ร, รมีเป็นพระบริษัทธแล้วต้องได้เป็น พ, พุทธเจ้าแล้วเนี่ยท่านสามารถที่จะวางหลักตั้งหลักการพระศาสนาได้ อ๋อคืออย่างนี้เราก็ต้องมองดูว่าในกรณีที่บอกว่าชมพูทวีปเนี่ยชมพูทวีปจริงๆแล้วเขานับโลกนี้ทั้งใบถ้าพูดถึงในเรื่องของทวีปสี่หนึ่งชมพูทวีปสองอุตรากุรุทวีปสาปุพพาวิเทหะทวีปสี่อัปปะละโยคายโยคาอปปะละโคยานะทวีปใช่ไหมทวีปทั้งสี่หมายถึงโลกแต่ละใบแต่ละใบแต่ละใบทีนี้ถ้าพูดถึงจุดศูนย์กลางของชมพูทวีปคืออินเดียอินเดียในปัจจุบันนะ แต่ในสมัยอนาคตข้างหน้าหรือในอดีตจะไปเรียกว่าอินเดียหรืออะไรก็ได้แล้วแต่จะเรียกแต่จุดศูนย์กลางมันอยู่ในบริเวณตรงนั้นเหตุผลมันมีอยู่ว่าสถานที่จะรองรับคุณธรรมคนที่บำเพ็ญบารมีเป็นพุทธเจ้าเป็นสาวกของพุทธเจ้าทั้งหลายเนี่ยเขาก็จะต้องไปเกิดในสถานที่ที่เป็นเขาเรียกว่ามัชิมประเทศหรือเป็นประเทศที่สมควร คำว่าประเทศที่สมควรเนะี่ยอย่าลืมนะมันเกิดจากกรรมของเขาครับกรรมที่เขาสั่งสมรวมรวมรว ม, รวมกันไว้เพื่อจะไปเกิดณจุดใดจุดหนึ่งเมื่อไปเกิดณจุดใดจุดหนึ่งอ่ะก็เขต้องวันหนึ่งอุตุสปายะหรือไม่สปายะนะครับ 2. อาหารสปายะหรือไม่สปายะ3ก็คือเสนาสนะสถานที่สปายะหรือไม่สปายะแล้วก็โคจระโคสถานที่โคจรหาอาหารเนี่ยสปายะหรือไม่สปายะยี่เป็นต้น เพราะสิ่งเหล่านี Oooh, ้มันเกื้อกูลต่อการบรรลุหรือไม่บรรลุฉะนั้นสถานที่บางอย่างเนี่ยอากาศมันไม่สปายะไปอยู่บางที่บางอากาศแล้วเนี่ยราคาโทสะโมหะมันเกิดมันมันเกิดยะเกิดง่ายกุศลมันเกิดยากที่อย่างนั้นเขาเรียกไม่สปายะหรือไปอยู่กับบุคคลนะครับคนบางคนเราไปเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยกิเลสเกิดง่ายคนประเภทนี้เขาเรียกไม่สปายะถ้าไปเกิดกับบางคนแล้วศีลสมาธิปัญญามันเกิดสะดวกเขาเรียกว่าบุคคลนั้นสปายะ เสนาสนะที่เราไปอยู่อาศัยมีต้นไม้ใบหญ้าเป็นเต้นเหล่านี้ไปอยู่แล้วศีลสมาธิปัญญาเกิดง่ายแต่บางทีมันเกิดยากฉะนั้นคนดีคนมีบุญทั้งหลายคนบำเพ็ญบารมีทั้งหลายเขาตั้งอัธยาศัยเพื่อจะมาเกิดในชมพูทวีปมัชฌิมาประเทศเห็นไหมที่พระพุทธเจ้าตอนเป็นพระโพธิสัตว์น่ยท่านพิจารณาว่าประเทศที่ท่านจะมาเกิดที่จะมาเกิดก็แปลว่าอัครส า, าวกมาเกิดที่ตรงนั้นด้วยแล้ว พุทธมารดาพุทธบิดาตลอดถึงวงศาคณาญาติบุคคลที่มีบุญทั้งหลายเข้ามาประชมเกิดที่ไหนฉะนั้นกรรมนั่นแหละครับเป็นตัวกําหนดสถานที่ชมพูทวีปให้เขาจุดศูนย์กลางชมพูทวีปเขาจึงมาเกิดในที่ตรงนั้นนั้นตรงเนี้ไม่ใช่เกิดขึ้นมาเลยลอยเกิดมาขึ้นจากเกตนากรรมจากเกตจํานงจากความจงใจตั้งใจถ้าอย่างพวกเราไม่ว่าจะเป็นประเทศพม่าก็ดีประเทศไทยก็ดีลาวก็ดีกัมพูชาก็ดีเขตนอรอบนอกระเรียกปัจจันตประเทศ เป็นประเทศชายแดนไม่สปายะครับไม่สปายะด้วยทั้งอูตุทั้งอาหารทั้งบุคคลแล้วก็เนี่ยนั้นท่านในยุคนั้นจริงๆก็ต้องเป็นจุดตรงนั้นนี่ต้องเข้าใจตรงนั้นมาจากอะไรมาจากขีดที่เขาทา น, น, นี่นี่เป็นไปลักษณะนี้พอจะชัดไหมอ๋อเ น, น, นี่ยมายุคหลังนั้นอีกอย่างหมายถึงยุคก่อนยุคก่อนที่พุทธศาสนายังไม่แผ่เข้ามาก็ไม่เรียกว่าสปายะ แต่พอมาแผ่มาที่หลังแต่ให้สังเกตดูสิท่านลางตั้งข้อสังเกตดูนะครับว่าพุทธศาสนาไม่เหมาะกับคนไทยอันนี้พูดกันแบบไม่เกรงใจนะเพราะคนไทยไม่ใช่คนแสวงหาความรู้พุทธศาสนาเป็นเรื่องข้อมูลเป็นเรื่องความรู้ล้วนๆคนไทยเนี่ยโดยมากชอบบันเทิงชอบความรู้สึกชอบเสพมากกว่าชอบศึกษาถ้าท่านไปอินเดียท่านจะรู้ว่ามันคนละฟอร์มกันเลย คนอินเดียเขาใฝ่รู้ฝ่ายศึกษาฝ่ายเรียนจริงๆนะต้องอย่าลืมนะมันเหมาะจริงๆครับที่พุทธศาสตร์นาจะไปเกิดอินเดียเนี่ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คืออินเดียนําเห็นความต่างกันเยอะสุกกระทุกก็เห็นชัดจนกระรวยก็ชัดโง่กับฉลาดก็ชัดสวยกับขี้เหล่ก็ชัดไอความชัดตรงเนี้มันทําให้เกิดปัญญาได้ง่ายมันจะหากึ่งกลางได้ง่ายครับมันจะหามัชฌิมปฏิปทาได้ยากแต่ประเทศไทยเนี่ยในน้ํามีปลาในนามีข้าวไม่ค่อยลำบากระบนเลย เป็นประเทศที่ไม่ค่อยไม่ค่อยเจอภัยธรรมชาติไม่ค่อยเจอปัญหาหนักๆอัไเนี้ยพวกเนี้ยไม่ค่อยขนขวายแล้วครับมันต้องเจอปัญหาหนักๆมันถึงจะขนขวายต่อสู้ดินลนจริงไหมฮเนี่ยเป็นอย่างเงี้จึงมันพุทธศาสนาจะอยู่ในไทยได้ไม่นานท่านเตรียมตัวไว้เหอะอยู่ได้ไม่นานอยู่ถ้าพิ ธ, ธีกรรมนะ่ยอยู่ได้นานนะแต่ตัวพุทธศาสนาแท้ๆอยู่ได้ไม่นานและทุกวันนี้ถ้าจะไม่เหลือด้วยซ้าไปถ้าเจาะกันนี่ลึกๆจริงๆไง น, ะนี่นี่เป็นหน้าเป็นห่วง เราต้องตื่นตัวกันขึ้นมาจริงๆนะ ถ, ถ้าเข้าใจภาวะตรงเนี้ว่าพุทธศาสนาเนี่ยเข้ามาอยู่ในประเทศไทยเนี่ยมันมันมันก็แปลกยุค ก, ก่อนอยู่ได้ด้วยตามวัฒนธรรมประเพณีมาหรื อ, อยังไงก็ไม่รู้แต่มาเห็นในยุคนี้เราจะเห็นชัดเลยถ้ายิ่งพระภิกษุด้วยแล้วไม่ขนขวายไม่ศึกษาไม่ใฝ่รู้ใฝ่ศึกษาอย่างจริงๆจังนะเกลี้ยงครับอยู่อีกไม่กี่ชั่วคนพุทธศาสนาจะหายหนัเข้านัเข้ า, า, ขาก็พระแล้ก็เนี่ยแหละเลี้ยงเป็นเลี้ยงไก่กัน นี่เรื่องจริงนะนัเข้าแต่เข้าก็ถูกทางการก็เบียดเบียนเพราะเราข้อมูลความรู้เราก็ไม่มีเท่าเขาสู้เขาก็ไม่ได้เขาวิจัยออกมาแล้วก็ว่าการเรียนก็น้อยกว่ามาจากคนชั้นต่ําการศึกษาก็ไม่ดีและฐานะประยัดจนเนี่ยเขาาวิจัยกันมายี่นะเขาตำหนิ่งนี้ด้วยนะว่างั้นที่มาบวชนี่ก็เพราะว่าไม่รู้จะไปทางไหนแล้วก็เลยมาบวชแม้วิจัยสเสียหายเลย <laughs> นี่ให้นี้ก็ฟังเข้าไว้นะเนี่ยอีกเนี่ยกรณีแบบเนี้ย ไถ้าเรามองอย่างนี้ก็เลยได้เห็นโอ้โพุทธศาสนาเราเราเขามองเขามองว่าเพราะจริงๆพุทธศาสนาเป็นศาสนาของปัญญาดแหละมันยังอยู่ยากมากสําหรับคนที่ไม่ขวัขวายสแสวงปัญญาอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ข้อคิดสําหรับเราทั้งหลายที่เป็นกลุ่มถ้าเป็นพระเนี่ยถ้ามองกันถ้าถามบอกเอ๊ะทาไมปัญหานักบวชจะโดตนตําหนีโดนอันนี้เป็นเรื่องของปัญหาของสังคม เหมือนพระเทล่าลูกนูขนาดพระเนี่ถือว่าเป็นครีนเป็นครีนของสังคมแล้วใช่ไหมโฟกัสมาปุ๊บยังเห็นสิ่งไม่ดีตั้งเยอะแยะเงี้ยนี่ก็แสดงให้เห็นชัดว่าสภาพสังคมไทยมันแย่แล้วมันแย่แล้วถ้ารนักบวชอย่างเราๆทั้งหลายเนี่ยโฟกัสมาปุ๊บยังมีจุดไม่ดีตั้งเยอะแยะใช่ไหมล่ะสังคมอื่นไม่ต้องพูดถึงไม่ว่าจะทหารตำรวจข้าราชการหรือประชาชนทั่ทวไปโฟกัสจุดไหนก็เห็นจุดเน่ามันไม่ใช่แค่พระ แต่พรเอิญพระเราไม่มีไม่มีวิธีการไปบอกเขาบอกมันอยู่ที่คุณจะโฟกัสนี่ยถ้าคุณใช้ไฟส่องไปตรงไห น, นก็เห็นตรงนั้นแหละจะมากจะน้อยก็ว่ากันไปแค่นั้นเองอันนี้มันเป็นปัญหาสังคมมันไม่ใช่ปัญหาพระมันเป็นปัญหาสังคมไทยล้วนๆต้องบอกเขาอย่างนั้นต้องโยนกลับไปนะเวลาเขามาพูดพุด่งบอกมันไม่ใช่ปัญหาพระคุณปัญหาสังคมมันมาจากไหนคุณลองไปสืบค้นมาซิมันมาจากบ้านไหนมาจากโรงเรียนอะไรมาจากสถาบันการศึกษาไหน มันก็มากันเป็นสายมันจะถึงมาบวชเป็นพระไม่ใช่อูแวกมามาบวชเป็นพระที่ไหนรอะมาบวชเป็นพระางทีตั้งยี่สิบสามสิบแล้วมันติดที่สายอะไรมาไม่รู้เท่าไหรแล้วใช่ไหมล่ะมันถึงมามาผมมาเป็นนักบวชบางคนจนสามสิบสี่สิบต้องมาบวชนี่เป็นต้นไม่ใช่บวชปุ๊บกอนหัวปุ๊บเอาผ้าเหลืองหอมปุ๊บมันมันมีเครื่องชาร์จปุ๊บปุบความชั่วมันหลุดออกไปที่ไหนจีวรมันไม่ใช่เป็นเครื่องดูดความชั่นี้ ยังไงเราแต่ปัญญาข้อมูลความรู้ที่เรามาศึกษาต่างหากที่มันจะสามารถกระจายความไม่ดีทั้งหลายนี้เป็นต้นดังนั้นตรงเนี้เป็นเรื่องที่ดีที่ถามลักษณะแบบนี้พวกเราได้มาเรียนรู้ได้มาศึกษาแล้วก็ได้มองนะครับอยู่ที่สว่างสว่างอยู่ที่สงบเราจะมองโลกมองสังคมมองกระแสชีวิตได้ออกแล้วเราจะได้ตั้งท่าทีได้ว่าเออเนี่ยเราเตรียมรับได้แล้วพุทธศาสนาไม่สมควรอยู่ในประเทศไทยผมคิดมาตั้งเป็นเกินสิปีแล้วไม่ควรอยู่ ไปไหนะที่ไหนสังเกตตอนนี้อยู่ได้เพราะพิธีกรรมแค่นั้นนะครับมีแค่พิธีกรรมียึดโยงอยู่ถ้าถอดพิธีกรรมออกเนะี่ยเกลี้ยงนะไม่มีเหลือเลยนะอาศัยปัณโบราณโบราณบัณฑิตเขาฉลาดก็เลยเอาพิธีกรรมบวชบ้างพิธีกรรมแต่งบ้างพิธีกรรมตายบ้างเนี่ยใช่ไหมเอาไปยึดโยงกันไว้พอเกาะพิธีกรรมอยู่เท้านั้นทำลายพิธีกรรมก็หมดทันทีก็ไม่มีเหลือเลยนะพุทธศาสนาเนี่ย เหลือแค่ศาสนาพิธีแค่นั้นแหละครับอย่าไปถอดทิ้งนะถอดพิธีกรรมทิ้งแล้หงายท้องเลยหงายท้องเลยเพราะว่ า, าศาสนธรรมจริงๆอ่ะน้อยมากที่เราจะเข้าไปเจาะทะลุดทะลวงละระลูกกันจริงๆอาศัยพิธีกรรมแท้ที่มันขังขังกันอยู่ดูเหมือนขังอ่ะแท้จริงมันไม่ได้มีอะไรขังอยู่ในนั้นเลยนะยนะถ้าเราเจาะก็เป็นจริงก็จะเห็นใช่ไหมครับเนี่ยเออี่ขอบคุณบัณฑิตโบราณที่ยังพ่วงพิธีกรรมก็ไว้หน่อย เบื้องดาคนมึนคนโง่ทั้งหลายก็เกาะแค่พิธีกรรมไม่สามารถเจาะก็ถึงธรรมะได้ใช่ไหมครับแต่คนที่ฉลาดทั้งหลายก็เอาพิธีกรรมเป็นฐานเดินก็สู่สารธรรมได้เดินก็สู่ศีลสมาธิปัญญาได้จงจะทํำยังไงเลยในเมื่อคนโง่ป๋าไปตั้งแปดสิบเก้าสิบเปอร์ซ็นต์ใช่ไหมก็เอาเอ า, เอาตรงนี้กำกํากับก็ไว้ได้อยากให้อยากมีชื่อเสียงไม่ยากไปทําพิธีกรรมแบบวิ จ, จิตวิ จ, จิตหน่อยกลับไปนะครับผมจะแนะวิธีให้ โอ้คนขึ้นกันเติมทำพิธีกรรมให้มันดูประหลาดประหลาดหน่อยมีการอธิษฐานมีการอะไรต่างๆยกทั้งเทพเทวดาอารัากษ์ทั้งหลายเหลา่านี้มารักษามาบูชามาไปไปใหญ่เลยนี้คนมันรู้สึกโอ้โหมันตื่นเต้นอย่างนั้นมันออกนอกเรื่องๆไปก็ต้องอะสมควรเกลเวลาแล้ว